สิบเเมกะเฮิร์ซพัทยาวิทยุพุทธสมาธิวิทยุเพื่อการแบ่งปันวิทยุเพื่อธรรมทานวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาครับครบเริ่มเริ่มเลนะครับอีกอีกหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีตอนนี้เสียงยังไม่ออกอีกหนึ่งนาทีเริ่มวนะัดเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณนะครับอีกหนึ่งนาทีครับ สวัสดีนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการรู้ทันภัยธรรมชาตินะครับโดยดำเนินรายการโดยดรก้องพบอยู่เย็นและอาจารย์ปิอาชีพวัชโรบนนะครับอขอมอบหน้าที่นี้ให้ดรก้องพบเลยครับผมบสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยกันอีกครั้งนะครับในรายการรู้ทันภัยธรรมชาติในวันนี้เนี่ยผมก็จะพูด หัวข้อหลายๆหัวข้อใกนการนะครับโดยจะขอแนะนํานะครับทฤษฎีนะในการอธิบายเกี่ยวกับภัยธรรมชาติเหล่านี้นะครับซึ่งทฤษฎีนี้อ้างอินนะมาจากหลักทำคําสอนนะครับของสมเด็จพระสับบสมมาสมพุทธเจ้านั่นเองนะครับนั่นคือเราจะเริ่มด้วยการตั้งสมมุติฐานนะตามวิทยาศาสตร์ทั่วไปแต่สมมติฐานนี้เรา จะเริ่มต้นจากการที่เรียกว่าเริ่มจากกฎของธรม ร, นะงธรมชาตินะกฎธรรมชาติหรืออันคำกนะ็คือกฎที่สูงสุดอันหนึ่งเลยก็จะว่ากฎอิทธาปัจจิยาตาครับนะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะในโลกในจักรวาลนี้อาศัยซึ่งกันและกันนะทาให้สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาได้นะเมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อมสิ่งหนึ่งก็จเกิดนะ สิ่งหนึ่งเกิดอีกสิ่งหนึ่งสิเกิดเมื่อสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจะดับนะดังนั้นเนี่ยก็เราจะใช้กฎอันนี้นะครับในการที่เรียกว่าสร้างความเข้าใจนะครับเกี่ยวธรรมชาติอีกคนหนึ่งนี่ก็คือเรียกว่ากฎของไตรลักษณ์นะครับทุกขั้นสาตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของอนิจจังทุกข์อนัตตานะทําไมถึงใช้กฎนี้เพราะว่าทุกอย่างในในสรรพสิ่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นอะไรแม้แต่ภัยธรรมชาติทุกๆอย่างนะครับมันจะต้องตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักทั้งหมดนะ <S 2> <S 2> ในในกรณีของวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของไตรลักษณเนี่ยก็คือความตัำนะความต่ำเนี่ยในสภาวะถ้าทุกท่านเคยได้ยินคําว่าความต่ำความต่ำที่เป็นสภาวะที่เรียกว่าสภาวะที่เรียกง่ายที่สุดเพราว่าที่พื้นฐานที่สุดเนี่ยของสรรพสิ่ง หรือในเชิงพลังงานก็เรียกว่านั่นก็คือความไม่เที่ยงนั่นเองนะความไม่เที่ยงของพลังงานเกิดการสั่ น, นไหวการแกว่งตัวนะจากการที่พลังงานในจักรวาลนนมีการเคื่อนเคลื่อนไหวตลอดเวลาแน่นอนมันดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลเกิดขึ้นแต่ทำไมมันถึงมีอะไรเกิดขึ้นนะการที่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นด้ได้เนี่ย แล้วสามารถคงอยู่ได้ใ น, ใ น, ในทฤษฎีของความตั้งนี่กนะ็คือจะต้องมีการย้ําเข้าไปนะอย่างเช่นมีการทําซ้ําทําซ้ําหรือมีการเกิดความถี่การสั่นไหวที่เกิดที่ความถี่ซ้อนเข้าไปนะอย่างเช่นความถี่สมมุติเราตีตีเอาค้อนเอาค้อนทุก่ยตีคนนะตล้องเนี่ยนะตีกลองเพิ่งยิงก็จะเกิดการสั่นด้วยความถี่ค่ า, า, าหนึ่ง เมื่อเกิดการสั่นจะมีการซ้อนที่ความถี่เดิมลงไปถ้าเราตีซ้ําลงไปที่ความถี่นั้นมันจะเกิดการขยายตัวของพลังงานเกิดขึ้นเหมือนกับเราแกว่งชิงช้าครับชิงช้าเนี่ยถ้าเกิดเราเอาเอามือผลักครั้งหนึ่งมันก็จะแกว่งคร้งหนึ่งแล้วมันก็จะดับไปถูกไหมครับสุดท้ายมันก็จะดับแต่ถ้าเกิดแกว่งไปแล้วแกว่งด้วยจังหวะที่พอดีกับการแกว่งชิงช้าพอดีเนี่ยชิงช้ามันจะ ขนาดมือใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆการแผ่นก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นลักษณะของการก่อตัวนะของมวลสารหรือรูปร่างต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการที่พลังงานเกิดการย้อนลงไปที่ความถี่หนึง่งนะนี่คือเป็นลักษณะของการก่อตัวเนะมื่อมีการก่อตัวเกิดขึ้นนะครับธรรมาชาติเนี่ยจะพยายามสแสวงหาสมดุลเสมอนะครับ การแกว่งตัวนี้ก็จะมีทั้งมันจะแบ่งเป็นสองสีนะถ้ามองไปกดของไตลักก็คือจะมองเป็นคู่ก็ได้นะอย่างเช่นมีส่วนที่ต่างมีดำมีขาวนะมีบนมีล่างมีขึ้นมีลงนะในเชิงของการก่อตัวเหล่านี้นะมันก็จะก่อตัวขึ้นมาโดยที่มีความสมดุลทุกอย่างในตัว ตอนมวลสาทั้งหมดเนี่ยก็จะเกิดกาะตัวขึ้นบริเวณที่มีการสมดุลมากที่สุดของพลังงานเนื่นคือมีการหักล้างกันของพลังงานขึ้นบนลงนั่นคือตรงกลางเรียก ว, ว่าบริเวณทางสายกลางนั่นเองตาวนี้เรามาดูว่ามันเกี่ยวภะไธรรมชาติยังไงนะคือถ้าเราเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะก่อตัวขึ้นเนี่ยมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยและเหตุปัจจัยนั้นเมื่อถึงจุดที่มันพอดีปุ๊บมันจะเกิดขึ้นว่ะ นะคแต่เราก่อนที่จะถึงตรงนั้นได้จะต้องเข้าใจกันว่าผมอธิบายในเรื่องของรูปแบบของทั้งระบบสุริยะทั้งระบบเลยคราวนี้การสั่งไหวในระบบสุริยะมันเป็นยังไงนะการไหวในระบบสุริยะเนี่ยถ้าเราดูง่ายๆคือเราจะเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยมันอยู่ที่จุดศูนย์กลางของระบบสุริยะนะเมื่อการสั่งไหวของดวงอาทิตย์เกิดขึ้นนะที่ระบบศูนย์กลางปุ๊บ ถ้สาสั่นไหวและย้ําลงไปที่จุดจุดนั้นดวงอทิตจะกาะตัวขึ้นมาเมื่อก่อตัวขึ้นมาปุ๊บจะเกิดเป็นคลื่นที่ออกกระจายออกมาลรอบนะมีลักษณะเหมือนกับหยดน้ํำนะน้ําหยดลงบนผิว น, น้ําจะเกิดเป็นวงกระจายออกมานะแต่ว่าถ้ามันหยดครั้งเดียวแล้วมันก็ดับไปถูกไหมครับแต่คราวนี้ ในการที่มันจะก่อตัวและคงอยู่สภาพได้จะต้องมีการซ้ําลงไปก็คือมีความถี่ที่เกิดการกระตุ้นซ้ำลงไปเรื่อยๆที่ความถี่เดียวกันปรากฏว่าเกิดเป็น่วงที่เรียกว่ามันเกิดการหักล้านโดยที่ทอยากล้างในวงที่เรียกว่าวงโครจรโลกเรหรือของดาวดวงอื่นแน่นอนเมื่อมีการย้ามันก็จะต้องอ่าก่อตัว ศาสตรเนี่ยคือนอกจากวงโคจรจะเกอนแล้วดาวเคราะห์จะต้องเกาะตัวขึ้นตามแหนวงโคจรเหล่านั้นนะจากการ ล, กลูกวมขัมวลสารต่างๆล้ลอรอบตัวมันะัด้แหละนะนี่เป็นวิธีการหนึ่งอีกวิธีการหนึ่งก็คือมันจะเคลื่อนตัวเข้ามานะจากดาวเคราะห์จากที่อื่นเคลื่อนตัวเข้ามาเลาะที่วงโคจรนะในระบบสุริยะนะซึ่งก็จะเป็นวิธีการเกาะตัวของดาวเคราะห์ เข้ามาในระบบสุญญาก็เนียนสองแบบส่วนหนึ่งก็คือก่อตัวในะระบบสุญญ์เองนะอีกแบบหนึ่งคือเข้ามาจากที่อื่นเข้ามาหาะดังนั้นเนี่ยอันนี้เรามาดูว่าเกี่ยวไปที่บัตรยังไงเนะี่ยถ้าเรามองว่าทุกอย่างในระบบสุญย์ของเราเป็นเพียงการสั่นไหวกับเพื่อสั่นไหวของพลังงานมีการก่อตัวกันของมวลและสสารเกิดขึ้นตามแนววงโคจรและจุดศูนย์กลางอยู่ที่ดวงอาทิตย์ เราก็จะพบว่าความสั่นไหวนั้นเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะในทุกดวงดาวเวลาเกิดการล้างเกิดล้างพร้อมๆกันทุกดวงดาวและก็จะเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นที่ดวงอทิตมีการสั่นไหวดวงอทิตก็จะส่งผ่านไปที่โลกกาสั่นไหวที่โลกก็จะส่งผ่านกลับไปที่ดวงอาทิด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเ้าโดยเราดูภัยพิบัติโดยภาพรวมแล้วเราจะพบว่าบางทีเราจะพบบางทีเกิดแั่นดินไหวบนโลก นะในช่วงเวลาเดียวกับที่ปฏิอยิยะดวงอาทิตย์เกิดขึ้นพอดนะีหรือบางทีมันมันจะมีการล้ำเหวินนดนิ ด, นดนหน่อยนะส่วนใหญ่ในดวงอาิตจะเกิดก่เพราะว่ามันเป็นธาตุเบานะคาดว่ามันจะมีความไว้ต่อการสังนไหวแต่บางทีโลกก็สั่นก่อนได้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันในช่วงเวลาภายในหนึ่งวันเนี่ยดังนั้นถ้าเลือบางคนบางท่านเนี่ยศึกษา ถ้าเอาโรคเป็นเหตุก็จะบอกว่าโรคมันเกิดเป็นเหตุได้ถ้าเรามองไปที่ดวงอาทิตย์เราก็จะมองดวงอาทิตย์เป็นเหตุก็ยังได้เหมือนกันแต่แน่นอนทุกอย่างเกิดขึ้นในระบบเดียวกันการสังนไหวเกิดขึ้นในเวลาใกล้เรียกกันนะแล้วก็เมื่อมีการสั่นไหวเกิดขึ้นมันจะมีปฏิกิยาบางอย่าง<ต>เช่นการประทุเกิดขึ้นการระเบิดเกิดขึ้นในช่วงที่มันมีการ ที่พลังงานเหมือนเชื่อมต่อกันนะซึ่งมันก็มีหลายรูปแบบด้วยกันนะเมื่อมีการประทุการะระเบิดอย่างเช่นมีปฏิยานที่ปะทุเกิดขึ้นก็ต้องมีคลื่นที่ที่ปะทุจากปฏิยานวงที่เป็นคลื่นส่งผ่านและกระทบมาที่โลกอีกท่อดหนึ่งใต้เช่นเดียวกันดังนั้นมันจะมีพลังงานอยู่สองแบบแบบแรกก็คือเกิดขึ้นในเวลาและเยี่ยงกันเลย คืโลกกับดวงอาที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้เรียบหรือพร้อมๆกันการที่จะแจ้งเตือนลำบากมากเพราะว่ามันเกิดไล่เลียกกันมากนะอีกแบบที่สองก็คือเปแบบที่มีการะเพิ่มสัญไวของคลื่นความถี่พลังงานในการประทุกเกิดที่นีมวนที่ส่งคลื่นพลังงานมาที่โลกนะอันนี้เป็นเรียกว่า secondary ก็คือเป็นแบบโดนทางอ้อมอีกหนึ่งมาที่โลกอันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ สามถึงสี่วันนะตรงนีอน้อันที่เกิดจากโมเลกุลละเครื่องในที่โลกเนี่ยเราก็สามารถคาการได้ค่อนข้างชัดเจนแต่อันที่มันเกิดในเวลาไล่เลี่ยกันเวลาพร้อมๆกันเนี่ยมันทําให้ได้นะแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ที่มันเกิดเวลาไล่เลี่ยกันพร้อมๆกันมันจะเกิดช่วงไหนเวลาใดนะคราวนี้เราก็ต้องมาดูเหมือนว่าทุกอย่างในโลกสุญญะเนี่ย มันมีความถี่ซึ่งซังซบทอร์สซ้อนทับกันนะหลายๆความถี่ด้วยกันนะอย่างเช่นในอ่าที่ดวกอทิตก็จะมีปฏิย า, ยาทิตย์ทุกๆสิบเ็ดปีถูกไหมครับหนึ่งโลกเนี่ยก็มีการโครจรรอบตัวเองและโครจรรอบดวงอาทิตย์เกิดเป็นฤดู ก, กาลต่างๆก็เป็นความถี่ที่เกี่ยวกับโลกหรือแม้แต่ดวงจันท ร, ร์โคจรรอบโลกก็เป็นความถี่ที่เกี่ยวกับดวงจันทร์และโลกซึ่งเกิดขึ้นทุกๆ ประมาณหกถึงเจ็ดวันถูกไหมครับข้างขึ้นข้างแหลมเป็นต้นนะตากนั้นเนี่ยเราก็จะเน้นวิธีการดูช่วงเวลาที่มีการซ้อนทับของพลังงานหรือซ้อนทับกันของมวลช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับการซ้อนทับเหล่านี้เราต้องดูว่าทั้งหมดเป็นระบบเดียวกันทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นจาก แรงน้งถมถ่วงนะแต่เกิดขึ้นจากการสั่นไหวของทฤษฎีควอนตัมนะซึ่งเกิดการสั่นไหวของทั้งระบบไปพร้อมๆกันตรนะงด้านปรากฏการที่เราจะสามารถดูเหตุการณ์ล่วงหน้าได้นะก็คือปรากฏการที่เรียกว่าดาวเด่งตัวนะปรากฏการดาวเดยงตัวนี่คือเป็นปรากฏการที่เรียกว่ามีการซ้อนทับกันนะของดาวนะ ดูง่ายสุดก็คือแนวที่เป็นเส้นตรงนรับถูกไหมครับเมื่อมีการซ้อนทับของดาวเกิดขึ้นเนี่ยตามสันไหวต่างๆมันจะเกิดการเรียงตัวในแนวนั้นในการสัน่นแล้วมันเกิดในช่วงเวลาที่ฉับพลันรวดเร็วเวลาดาวมันเมื่อเกิดสุริยุปราคามเกิดในช่วงเวลาัก๊บเดียวถูกไหมครับเราเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ว่าฉับพันคือมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงของความถี่พลังงานแบบฉับพัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสับพันมันจะต้องมีปฏิกิริยาบางอย่างเกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะของดาวทุกดวงโดเฉพาะดาวที่อยู่ในแนวเรียงตัวนะอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างอย่างกรณีของแผินไหวที่เกิดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเช่นปเปนน็นแะค่เมตาลเงี้ยนะเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่โลหิตอย่างฉับพลันนะครับ ของยาเกิดอึ่างฉับพลันอย่างเช่นปริมาณทุกตับที่เพิ่มขึ้นสูงสุดนะในรอบหลายสัปดาห์อย่างรวดเร็วนะภายในเวลาหนึ่งวันเท่านั้นเองเป็นเป็นลามบอกเหตุอันนู้นเราจะเห็นการสั่นไหวที่โลกเป็นการนึ่นไหวนะเป็นผลกระทบก็ได้แล้วแต่เราจะมองว่าอะไรเป็นเหตุและเป็นผลนะแต่ถ้าเกิดสิ่งที่เกิดก่อนเราใช้เป็นไม่รู้ว่าเป็นสิ่งบอกเหตุหรือลามบอกเหตุนะ น้ำบอกเห็นที่นี้ก็คือดวงที่เกิดการ ส, สาั่นไหวขึ้นอย่างสับพันนะแล้วก็เห็นเป็นแผ่นดินไหวตามมาที่ประเทศเนปาลแล้วก็ยังมีแผ่นดินไหวตามมาอีกใช่ไหมครับ 6.8 ลิกเตอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นนอยจานั้นเราก็จะเห็นความแตกวืนของอสภาพอาของแผ่นดินใต้น้ำนะเราจะเห็นสัตว ปาหวานหรือว่าสัตว์ใต้น้ําออกมาที่ชายหาดมาเกิดตื้นไปเจือจ้ากในสัปดาห์ที่แล้วนะเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันสัมพันธ์กันแน่นอนมันไม่ใช่แค่เพทนินไหวอย่างเดียวเรายังมีเรื่องของสภาพอากาศซึ่งสภาพอากาศนี้เป็นตัวแปรอันึนนงซึ่งเราสามารถสังเกตได้ของเรียกว่าเป็นผลหรอเป็นอาการนะของการเปลี่ยนแปลงและสั่นไหวของพลังงานนะที่อยู่รเร่วมเปล่านั่นเองนะ แม้แต่ร่างกายเราก็ยังเป็นตัวบอกได้เลยนะถึงความแปรปรวนนะที่อยู่รอบเรานะบางคนมีความรู้สึกอัดหรือเกิดอาการร้อนจากภายในหรือเกิดอาการปวดหัวไม่สบายนะในบางช่วงที่มันมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะเราก็จะใช้อาหารแนวทางนี้ในการที่เรียกว่า อธิบายนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยนะซึ่งสอดคล้องกันจะเรียกว่ามันหาที่มาที่ไปอย่างแท้จริงไม่ได้ย่งีนะแต่มันเกิดแบบที่เรียกว่าถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้ตั้งอยู่มันก็ตั้งอยู่และสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ดับไปจะเรียกว่าเป็นกฎอิทธิปัจจิยาตานะในระดับระบบสุริยะนะ ซึ่งแน่นอนใช้ได้ทั้งหมดกับทั้งจั ก, กรวาลเลยนะ น, นี่เรามาดูเรื่องของอแล้วก็ใจเรื่องของเว่าทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างสั่พนกันแล้วนี่คราวนี้เราเราลองมองกลับมาที่โลกเก่านะอย่างเช่นบนโลกเรานี้ทําไมมาถึงหมุนนะทําไมมันไม่ลอยไฟฟ้าอยู่กับที่ หรือมันมันทำไมมันมต้องหมุนรอบตัวเองทำไมมันต้องเป็นทรงกลมนะทำไมมันต้องมีสนามแม่เหล็กสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับในช่วงของการสั่นไหวเนี่ยเมื่อการสั่นไหวเกิดขึ้นนะในทฤษฎีของควอนตัมเนี่ยมันจะเกิดการก่อตัวของลูกลูก ก, ลก็คือลูปคือธาตุของติดน้ําลงไฟเนีย่ยเป็นรูกลูกวี ถ้าเื่อเกิดการสั่นคล้องในธรรมชาติในการย้ำเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนลูกมีการย้ำและซ้ําที่ความถี่เดิมลูกที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะของความเป็นสมมาตรนะสมมาตรก็คือเรื่องของอย่างเช่นเป็นรูปวงกลมอย่างเช่นรูปทรงกลมนะดังนั้นดาวทุกดวงนะดาวพอทุกดวงดาวเลิกทุกดวงมีลักษณะเป็นทรงกลมนั่นก็เป็นเพราะว่ามีการย้ำในของพลังงานความถี่นี่ก็ว่าเลยส่นนั้น โดยที่ตัวของมันเนี่ยจะสร้างเป็นทรงกลมและแน่นอนทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันคงอยู่ไม่ได้แต่ว่ามันจะต้องทำอะไรบางอย่างให้มันคงรู้อยู่ได้นั่นก็คือจะต้องเกิดการไหลเวียนของพลังงานภายในทรงกลมเหล่านั้นนะในเชิงของทผู้ที่ศึกผู้ที่ศึกษาด้านธรณีวิทยาหรือว่าเกี่ยวในโลกก็เรียกว่าเป็น c o n v e c t นะ t i o n มีการไหลวนของพลังงานอยู่ภายในเหมือนกับโลกเหมือนกับร่างกายเราที่ต้องมีการไหลเวียนของพลังงานนะมีการหล่อเลี้ยงของเลือดหรือกระแสะลมต่างๆไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาเพราะว่าการเมื่อเมื่อลูกก่อล่าขึ้นมาแล้วมันไม่สามารถจะคงอยู่ได้ถ้าไม่มีการไหลเวียนเหล่านี้เพื่อปรับสมดุลตลอดเวลานะดังนั้นเมื่อโลกก่อล่ามาแล้วลูกทรงกลม มีการไหลวนอยู่ภายในนะไหลวนภายในก็จะมีอีกสองแบบเหมือนกันถ้าเรามองเป็นคู่คือไหลวนในแนวทิศระหว่างทิศเหนือกับทิศใต้เรียกว่าเป็นเซอร์ฟูเรชันแล้วก็จะมีการไหลวนในรูปแบบของอ่าหมุนการหมุนถูกไหมครับหมุนทวนเข็ม น, นาฬิกาหรือว่าทวนเข็มนาฬิกานะก็คือการหมุนก็เรียกในภาษาอังกฤษเรียกว่าสปิ น, น นะมีทั้งเซอร์คูเอชันมีทั้งสปินการหมุนเนี่ยทำให้มันสามารถคงรูปอยู่ได้ในลักษณะที่เป็นลูกสงกมหรือวันอยู่เมื่อมีการหมุนเราก็จะพบว่า ท, ทรงกลมนี้มันจะบี้ลงระหว่างพ้นเหนือกาบใด้นิ่มๆคือมันจะไม่เป็นสงกมร้อยเอร์เซนหรือมันจะไม่สามารถร้อเปอร์เนตนะแลนะแน่นอนเมื่อมีการหมุนก็จะมีการไหลของกระแสนะ ถ้าเรามองการไหลของกระแสนี่เป็นกระแสจะเป็นกระแสน้ําหรือเป็นกระแสไฟนะได้หมดเมื่อไหลของกระแสของของเหลวที่อยู่ภายในโวกเราเขาก็จะมันจะเกิกกดกรอบตัวเป็นสนามแม่เหล็กขึ้นมานะสนามแม่เหล็กแล้จะมีทั้งทิศเหนือและทิศใต้แบบมันจะเป็นคู่หมดแล้วก็บริเวณที่ มีการก่อตัวก่อร่างสร้างตัวของวงสารมีปฏิกิริยาและปฏิสัมพันธ์บ้าที่สุดก็จะเกิดขึ้นที่ผิวโลกเนี่ยมีสัตว์ก่อตัวตําเนินขึ้นมาที่ผิวโลกนะเหตุผลที่เป็นผิวโลกคือเป็นที่ที่มีความสมดุลที่สุดในเชิงของพลังงานนะถ้าเราดูใต้โลกก็จะเห็นว่ามันร้อนร้อนจัดนะกาออกไปนอกโลกมันก็จะเย็นจัด ธรรมชาติจะแสวงหาที่สมบูรณ์จึงทําให้สิ่งอย่างมันก่อตัวขึ้นมาได้เนี่ยมันอะาศัยสิ่งนี้แนละคุณฟิหมายความว่าอาศัยการเน้นย้ําลงไปนะทําให้สิ่งนี้เกาะล่างสร้างตัวและเมื่อมีการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแล้วคราว น, นี้ดูมาดูเกี่ยวกับเรื่องของแรงนะแรงก็จะมีแรงกระทําทางไฟฟ้านะแต่แน่นอนเมื่อธรรมชาติพยายามจะหักล้างกันเสมอนเนี่ย แรงร่วงของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าก็จะเกิดการหักล้างกันเกิดขึ้นนะที่บริวเวณที่เราพยักที่อาศัยอยู่นี่แหละการหักล้างทั้งหมดนี้ในเชิงฟิสิกส์นะหักล้างกันมันก็จะเหลือเพียงแรงโน้มถ่วงนีง่คือนะเป็นเหตุผลว่านี่คือเหตุที่ทําให้เกิดแรงโน้มถ่งวงว่าแรงโน้มเกิดขึ้นได้ยังไง บ, บ, บ, บ, บนบนบนวัถุโลกที่เราอาศัยอยู่นะ อนี้พอมันเกิดเป็นแรงโน้มถ่วงขึ้นมาก็ทําให้เราเนี่ยอยู่บนโลกเปิดการแรงดึูดทุก um. อย่างมันดูดกันเพื่อซัตสแตงกันเพื่อให้มันอยู่ในโลกนี้ด้วยโดยสายกดของแรงโน้มถ่วงตีรุ่นแรงดึงงดูดแจงยิ่ดูดนี่ก็ถ้าเคยไดเชิงของตัมบะก็จะเป็นเรียกว่าสังสารวัตรดูดขึ้นมาให้มันดูดที่นี่แหละดูดของมัน นะแล้วก็ในตอนนี้เรามาดูว่าภายัยพิบัติถ้าในเชิงของภยัยพิบัติแน่นอนถ้าเรามองเหตุปัจจัยของภัยพิบัติเรามองในเชิงกายภาพก็คือมันจะต้องอาศัยเหตุปัจจัยจากข้างนอกโลกและในโลกประกอบกันนะทําให้สิ่งเหล่านี้ก่อล่างสร้างโตขึ้นมาได้แน่นอนเราจะมองในเชิงของจิตใจก็ได้เช่นเดียวกันนะ เมื่อมีวิกฤตทางเกี่ยวกับจิตวัญญาณจิตในในในในโลกแห่งนี้นะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนมันก็จะมีอะไรเกิดขึ้นมาเช่นการขัดแย้งอะไรต่างๆขาดความสมดุลนะในเชิงของกระแสจิตมีไปรุ่บัตไปสงครามอะไรจะเกิดขึ้นทั้ง้อมนะ่างหม ดัง น, นั้นถ้าเกิเราจะดูเรื่องของภัยที่บัตรจะเกิดเมื่อไหร่ขนาดใหญ่มันจะเกิดเมื่อมันจะเกิดเมื่อทุกอย่างมาประกอบรวมกันตั้งกายภาพและภายในจิตใจนะเราก็ดูเป็นเหตุปัจจัยในการเตรียมพร้อมแล้วก็เฝ้าระวังไดนะ้ในกรณีของการที่มันใหญ่จริงๆนะเหตุที่บัตรเดี๋ยวเราะเห็นว่าอย่างช่วงภัยที่บัตรเกิดเมื่อ ปีสองห้าห้าเอ่อเท่าไหร่สองห้าห้าหนึ่งใช่ไหมครับน้ำท่วมใหญ่ที่ที่ในประเทศไทยกับเหตุการณ์วิกฤตทางการเรงินต่างๆที่คนห ล, ลายๆฝ่ายในประเทศทะเลาะบอกแว้งกันมันก็จะเกิดในช่วงเวลาใกล้เคียงคราวนี้ถ้าเกิดเรการเห็นภายพิบัติที่จะเกิดทั้งโลกมันก็จะต้องมีปัญอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของอความขัดแยง้ง ในระดับโลกซึ่งถ้ามันมีเมื่อไหร่เนี่ยธรรมชาติมันก็จะเกิดในช่วงเวลาใกล้เคียงไลเรียดในช่วงนั้นแหละอันนี้มีคำถามอะไรไหมครับจากคุณเบี้ยชีบือทางสถานีครับคุณหลวงเจ้ามโอเคครับก็ อรานี้เรามาในดูเรื่องของการคาดการณล่ะแน่นอนคราวนี้เรารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยอาศัยทุกอย่างมาพร้อมกันมีทั้งเหตุทางเรื่องของภพิบัติแล้วก็มีเหตุในเรื่องของวิกฤตเกี่ยวกับการทะเลาะเบาะแสหรือความสิ้นสิสภาวะกลผลทั้งจิตใจนะของของมนุษย์โลกมันจะเกิดในช่วงเวลาใกล้ๆเคียงกันคราวนี้เราก็มาคาดการณได้ อำ น, นี้เรารู้แล้วว่าช่วงไหนเวลาไหนสามารถเป็นอย่างนั้นเราก็ดูจะมีศาสตร์ที่เรียกว่าโหราศาสตร์ขึ้นมาเ mm hmm. นาะโหราศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นศาสตร์ที่เรียอเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับจิตใจมนุษย์ถูกไหมครับพฤติกรรมหรือคุณสมบัติคนเกิดตาตำแหน่งดาวอะไรอย่างนี้เป็นเราเรียกวเป็นโหราศาสตร์โหราศาสตร์ในเชิงของจิตใจนะส่วนส่วนที่ผมได้นาเสนอ เป็ส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของดาราศาสตร์หรือวิทศาสตร์ที่เกี่ยวข้อทางกายภาพทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพบนโลกนั่นก็คือเรื่องของภัยพิบัติแน่นอนมันคงอธิบายทั้งหมดไม่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราสาวบ้านรู้ล่วงหน้าได้จากการดูตำแหน่งดาวนะหรือเรียกว่าปรากฏการณ์ดาวเิียงตัวนะครับ แต่เมื่อก่อนการดาวเรียงตัวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าช่วงไหนมันจะเกิดแรงช่วงไหนจะเกิดเป่าแน่นอนเราอยู่บนโลกนะถ้าเราต้องการรู้ว่าจะเกิดแรงบนโลกเราที่ช่วงวันเวลาไหนเราก็ต้องดูการเรียงตัวของดาวนะที่เกี่ยวข้องกับโลกเราโดยตรงเป็นเหตุปัจจัยหลัก และมีเหตุปัจจัยลองก็คือเราดูช่วงที่มีการเียงตัวเกี่ยวกับดาวที่มีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางนะจะมีสองอย่างประกอบด้วยกันเสมอนะคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าอิทธิพลของดาวดวงไหนมีผลต่อโลกมากอันไหนมีผลต่อโลกน้อยนะ ดูไม่ง่ายสุดก็คือดูระยะทางนะนง่ายๆสั้นๆก็คือเรื่องของวงจันทร์นะวจะเจนหรือคนในวงจันทร์นอกจากมีเรื่องของข้ามขึ้นข้ามแล้วแล้วก็ยังมีเรื่องของสภาพจิตใจควรเปลี่ยนแปลงในช่วงเวล า, าังกลาวด้วยนะอันนั้นในเชิงธรรมะก็จะมีวันพระนะซึ่งซึ่งจะเน้นการสวดมนตนะ์นะภาอนาเป็นพิเศษในช่วง วันสําคัญที่เกี่ยวกับดวงจันทร์นะเพราะว่าเป็นการดูแลตามความเห็นผมก็คือเป็นเรื่องของการปรับสมดุลของกระแสจิตใจซึ่งให้อยู่นอกเลยญี่ปุ่นจากกระจายภายนอกนะในเรื่องของจิตใจคราว น, นี้นอกจากดวงจันทร์แล้วก็ยังมียาวดว อ, อื่นๆไกลออกไปอีกหน่อยก็จะคือดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยมันก็จะเป็นดาวที่ ไก่ก็โลกไปหน่อยแล้วสุดนี่มีความแตกไปจากดาวเคราะดวอื่นๆในระบบสุริยะนะนี่คือการหมุนทิศทางกานหมุนมันสวนมันหมุนในในรูปแบบที่เรียกว่าตามเข็มนาฬิกาในขณะที่คนอยิบเข้ามุทวนเข็มอันนี้เราจะมองมุมดมุมใดนะครับแล้วมันหมุนอย่างนั้นมันแปลกแตกกับชาวบ้านเขามันเป็นไปได้สูงที่ ดาวสุขนี้มันไม่ได้มาจากดวงตะวันอาทิตย์มันไม่ได้อยู่จากโลกสุญญากวามแต่มาจากที่อู่เข้ามาแทรกเข้ามาในในโลกสุยญากของเราแล้วก็เข้ามาเลาะในวงโคจรที่อยู่ในปัจจุบันนะตามกฎของความตัมงไวเบชั่นหรือทฤษฎีการสั่นของความตั้และก็สิ่งที่เหลืออยู่เป็นแรงที่กระทำันที่นักวิทยาศาสตร์เห็นู่ปัจจุบันก็คือแรงโน้มถ่วงนั่นเอง ไอ้ผลกรี้เป็นผลที่เกิดจากการหักล้างกันทั้งหมดแล้วแต่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคอนานี้เรามาดูต่อถ้าดาวสุขเนี่ยมีผลต่อโลกเราจะรู้ว่าดาวสุขมเนี่ยเป็นดาวที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับดาวหังมันมีสร้างป็นเอกฐานติดตั้งติดจุ่ ทำปฏิกิยากับดวงทิตย์นะดวงทิตเนี่ยจะส่องลมสุยะออกมาแล้วจะเลือนมาเลื่อน ม, มากระบกับดาวสุปเราจะเห็นเป็นหางค่อนข้างยาวหางที่เป็นหางของพลาสมาซึ่งมีพรัางงานงไฟฟ้ามีประจุไฟฟ้าเป็นอยู่ ม, มากดังนั้นในช่วงที่ดาวสุปมีการเล็งตัวกับโลกนะหรือดวงจันทร์เราจะพบว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่มันมีประจุไฟฟ้าหรือพลังงาน ที่เข้ามาในชั้นบรรยากาศโกามากเป็นพะิเศษนะซึ่งเมื่อมันบรรจุฟ้าอยู่พลังงานเข้ามาที่ชั้นบรรยากาศามากพิเศษผลที่เกิดขึ้นก็คือมีความเพียสะสมในชั้นบรรยากาศมากเป็นพิเศษเมื่อความเครียดในชั้นบรรยากาศมีมากผลก็คือมันจะต้องมีการระบายถ่ายเทพลังงานออกมาเราก็จะเห็นรื่องของการเกาะตัวของฝนฟ้ากาศเกิดขึ้ น, นามากพิเศษอนะ แล้วก็จะมีฝนตกเกิดขึ้นมีฟ้าร้องฟ้าผ่าได้เหเือนกันนั่นคืออาการของการที่ธรรมาชาติพยายามจะถ่ายเทพลังงานออกมานในหลายรูปแบบการที่น้ํำล่อยในอากาศได้ก็เป็นเพราะว่าพลังงานใ น, นไฟฟ้าเนะ่ยเมื่อมีชาร์จประจุไฟฟ้ามากมันมีการหักล้างของพลังงานมันไม่สมดุลพลังงานที่หักล้างกันมันเกิดแรงน้มถ่วงมันก็เลยลอยเนี่ย เมื่อเมื่อมีการถ่ายเทพลังงานแปรกฏการปฏิยาลมไฟฟ้าเกิดการรวมตัวกันเกิดขึ้นมีการถ่ายเทพลังงานเป็นรูปแบบของฟ้าร้องฟ้าผ่านะแล้วก็ประจุไฟฟ้านั้นมีการรวมตัวกันเกิดการสมมูลเกิดขึ้นมันหักล้างกันหมดมันก็เลยตกมาเป็นฝนนะก็เป็นรูปแบบของการตกฝนตกที่ทําไมน้ําตักเป็นไม่รู้กี่ไมรู้กี่พันลูกบาศ หลายว่าแล้วแต่แต่มันลอยบรรากาศได้ในช่วงช่วงเวลาช่วงนงก่อนที่มีจะตกเ่อคราวนี้เราดูแล้วว่า อ, อ, อะไรที่มเกี่ยวกับตาสุกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีลักษณะของมีที่คนในเรื่องของฝนฟ้าก่ะนะเราก็จะรู้ล่วงหน้าเลยว่าช่วงไหนที่ เ, เราหรือคำว่าเราคือ ผู้ที่อาศัยบโลกจะได้รับผลกระทบเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศมากเพิเศษก็จะเป็นช่วงที่มีการลิ่ตัวของดาวสุกเกิดขึ้นเราจะรู้ว่าบริเวณใดที่จะมีผลกระทบตานนีมากขึ้นเราห้าเอาบริเวณนั้นเนีย่ยเป็นจุดอ้างอิงแล้วดูออไปที่ดาวออกไปภายนอกการลิ่ตัวมีเกิด ก, การสูงสุดที่บริเวณนั้นณนะวันนั้น ขนาดนั้นเดยนั้นก็จะมีผลหรือมีริทธิคลเกี่ยวกับดาวสุภาพพิเศษอันนี้เป็นวิธีการในการศึกษาเพื่อค้นหาตําแำเนงของการเกิดภายพิบัติตัวโลกนะแต่แน่นอนมันไม่ได้มีแค่จุดเดียวที่เกิดมันเกิดขึ้นมาได้หลายๆจุดพร้อมกันนะคราวนี้เรามาดูต่อนะอันนี้เรารู้แล้วว่าช่วงไหนจะเกิดภยัยบัติและจะเกิดแบบใดนะ และจะเกิดบริเวณใดนะเราก็จะบอกได้โดยคร่าวๆนะโดยคร่าวๆเพราะว่ามันเพราะโลกใบนี้มันก็มีเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยด้านนึงเกิดฝาอีกแบบหนึ่งอีกด้านหนึ่งที่มันไม่มีทางดูมันก็เกิดอีกแบบหนึ่งนะหรืออาจจะเกิดคล้ายๆกันนะดังนั้นอย่างพอบอกตำแหน่งคร่าวๆของปฏิบัติที่จะเกิดได้ของโลกคราวนี้เรามาดูต่อ ถ้ามันมีไฟแบบบนท้องฟ้าก็ต้องมีไฟัตรใต้ดินนะสองตัวนี้ก็จะสัมพันธ์กันอีกเหมือนกันไฟับรใต้ดินเนี่ยเนื่องจากมันอยู่ใต้ผิวดินนะเราก็จะเน้นการหาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับใต้ดินหรือใต้ผิวดาวเป็นหลักส่วนหนึ่งตัวหนึ่งถ้าเราจะมองหาสิ่งบอกเหตุ ที่อยู่นอกโลกเราก็ต้องดูสิ่งที่อยู่ใต้ผิวของดาวอีกอันหนึ่งที่อยู่นอกโลกนะตอนนี้เราก็จะเห็นชัดที่สุดก็คือดวงอาทิตย์ของเราเพราะที่อื่นเนี่ยมันมองไม่เห็นเพราะเราไม่ได้เอาเครื่องวัดแผนินไหวนะไปตั้งที่ดาวดวงอื่นแต่จะมีเดี๋ยวในอนาคตใกล้นี้เราจะมีเครื่องวัดแผนินไหวไปตั้งที่ดาวของขางดังนั้นเราก็จะสามารถ เอาข้อมูลจากดาวอังคารนะมาประมวลผลไดนะ้เกี่ยวกับเรื่องของไฟฮิบัรุโลกได้ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตอันใกล้นะคราวนี้เรามาดูที่ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เนี่ยเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นใต้ผิวดวงอาทิตย์ได้นะจากอะไรนะก็จะปริมาณจุดจับนะที่ อยู่ที่ผดวงอาทิตย์ถูกไหมจุดดำจะเป็นบริเวณที่อ่ามันเป็นสีดํานะถ้ามองโดยกล้องส่องต่างไกลนะแล้วก็ติดฟิลเตอร์จะเห็นเป็นจุดดาๆบนดวงอาทิตย์ซึ่งมันจะบอกมันบริเวณที่คลัสทามันเปิดออกมาที่ผิวดวงอาทิตย์ก็บงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงจากภายในดวงอาทิตย์นะถ้าเรามองในะนั้นก็ได้ การเปลี่ยนแปลงเกิดภายในดวงอาทิตย์ก็จะเป็นรางบอกเหตของการเปลี่ยนแปลงภายในที่โลกดังนั้นเราจึงใช้ปริมาณจุดดับนะฮะในการเป็นในการบอกเหตเกี่ยวกับภัยธรรมชาติบนโลกเราได้นะแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะบางช่วงที่มันปริมาณจุดดับมันไม่มีเลยมันก็มองไม่เห็นเหตุที่ชัดเจนจากดวอาทิตย์ได้เช่นเดียวกัน น, นั้นแล้วอะไรละ่ะเป็นเหตุที่ทําให้ดวงอาทิตย์เกิดจุดับเกิดขึ้นมันมีหลายาเหตุอีกเช่นเดียวกันแต่เราดูอิทธิพลของดวงดาวนะเช่นเดียวกับเราดูดวงจันทร์มีอินทรีพลกับโลกดาวที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดคือดาวพุธ น, นะดาวพุธเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์ นะอยู่ใกล้ที่สุดแต่แน่นอ น, นดาวดาวงเดียวก็คงปีคปนต่อโวงทิตไม่ได้ต้องมาใสายดาวหลายๆดวงทำให้เห็นปฏิยาชัดเจนเราก็จะดูการเิ็งตัวของดาวพุธนะกับสิ่งอื่นๆที่อยู่รอบๆมั น, นพอเราดูการเิ็งตัวของดาวพุธ ทเราทีมีดาวพุธเป็นจุดศูนย์กลางแล้วเราก็จะพบว่าเมื่อไหร่ที่ดาวพุธสั่ไนไหวเนี่ยดวงอาทิตย์ก็จะมีการสั่นไหวเมื่อดวงที่มีการสั่นไหวโลกก็จะมีการสั่นไหวแล้วดาวที่อยู่ในแนวที่ที่มีดาวพุธเป็นจุดศูนย์กลางก็จะสั่นไหวพร้อมๆกันในเวลาไล่เรียกกันนะอันนี้ก็จะเป็นเหตุที่ทําให้เรา สามารถทราบได้ว่าอ่าจุดจับจะมีการขยายตัวขดตัวเมื่อไหร่เราดูดาวพุธเป็นเหตุในการช่วยในการบอกอ น, นี้ได้เมื่อมีดาวพุธมีการเล็งตัวเมื่อไหร่เราก็จะพบว่ามันก็เลยมีความสัมพันธ์นะกับแผ่นดินไหวบนโลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบอกส่วนหนึ่ง นะีไม่ใช่ทั้งหมดดังนั้นเราแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเหตุปัจจัยหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นพร้อมๆกั น, นดังนั้นการที่เราจะคาดการภายพิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยำเราต้องอาศัยเหตุปัจจัยหรือเรีว่าเอาดัชนีหลายๆอย่างของสิ่งที่เราสังเกตมารวมกันในการคาดการนะครับอย่างในกรณีของอ่าอย่างที่เกิดที่ประเทศเนปาะเนี้ย เราก็ดูว่ามันมีการเรียิงตัวของดาวเช่นเดียวกันนะในช่วงนั้นซึ่งเกี่ยวข้องกับดาวเสาร์ดาวเสาร์นี่ก็จะเป็นแม้วมันจะไกลไปแต่มันเหมือนกับเป็นดวงอาทิตย์ดวงที่สองในระบบสุริยนะเป็นดาวที่เรียกว่ามีวงแหวนชัดเจนที่สุดนะในระบบสุริยะที่เราเอาศัยอยู่เหตุที่มันมีวงแหวนก็เพราะว่า มันมีพลังงานออกมามากนะเหมือนกับที่ดวงอาทิตย์เนี่ยมีวงแหวนเหมือนกันซึ่งเรียกว่าวงโครจรของดาวเคราะห์ต่างดาวเสาก็เหมือนดวงอาทิตย์ดวงเล็กๆนะแนวองค์สุยะดวงหนึ่งซึ่งเราใช้สิ่งนี้เป็นเหตุอีกตัวหนึ่งนะในการบอกถึงความสั่นไหวที่จะเชื่อมโยงกัน นะที่เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์นะก็จะมีดาวศุกร์ดาวพุธดาวเสาร์นะเป็นตัวบอกเหตุเกี่ยวกับการปฏิกิริยาดวงอาทิที่ค่อนข้างชัดเจนดาวดวงอื่นก็มีผลเช่นเดียวกันนะเอาลิตเรามาดูดาวดวงหนึงที่มีความสําคัญมากเกี่ยวกับโลกนั่นก็คือดาวองคาลนะต้องคาลเนี่ยในเชิงวิทยาศาสตร์แล้ว เาบอกเป็นดวที่มันเรียกว่าเรียกว่าจะเป็นดาวที่ตายแล้วนะคือมีสภาพแห้งแง้งมีสนามแม่เหล็กมันอ่อนกําลังมากนะพลังงานทางไฟฟ้าอะไรแทบไม่มีแต่มันแต่ถ้าลองมองในผิวดาวเราจะพบถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาในอดีตของดาวองคาร น, นะจะมีลักษณะของเขาเรียกว่าเป็นรอยขีดขว่วนอะไรเต็มไหมดเลยซึ่งในเชิงฤษฎีทางไฟฟ้าบอกบอกถึงว่าดาวองค์นี้ ในอดีตเคยเกิดปฏิกิริยาหรือเกิดปยิบัติครั้งใหญ่นะคนดาวอุกการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิซัดครั้งใหญ่นะฮะพลังงานถูกดูดออกไปเกือบหมดนบบจึงเป็นดาวที่เรียกว่าดาวที่มันเกือบจะตายแล้วนในระบบสุริยะแล้วคือเป็นสัญลักษณ์ของความอะเรียกวะในเชิงโหราศาสตร์ก็เป็นสัญลักษณ์ของความขัดแย้ง เนี่ยความที่ต้องลดลดรายค่าฟันอะไรกนันมีการตายกับขึ้นมีการสูญเสียอะไรบางอย่างแต่ว่าเนี่ยอันนี้พูดถึงหลักของหุระศาสตร์นะในในเรื่องของวิทยาศาสตร์นี่คือเรื่องของพลังงานที่เรียกว่ามันมันบดสภาพหรือมันมีความเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเกิดการสูญเสียีในวิวหุระศาสตร์ก็ว่าได้เนี่ยเมื่อดาวคา้างนี ส่วนเกี่ยวข้องกับการนียงตัวโดยเพราะที่เกี่ยวโลกเนะี่ยมันจะมีความสูญเสียอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือมีความขัดแยง้งมีเชารเชาติเกิดขึ้นะแต่นั้นก็เป็นเพราะว่าจิตใจของมนุษย์โลกหรือสัตว์โลกนั้นยังไม่ไถูกฝึกมาดีพอนะจึงถูกอิทธิพลของสิ่งที่อยู่ภายนอกต่อสภาพจิตใจ เราจะเห็นได้ว่าแม้แต่จิตใจที่เรียกว่าบางทีเรามีความรู้สึกว่าจิตใจนี้เป็นของเราจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันเป็นสภาวะที่อ อ, อ, อที่มททีที่มีความแปรเปลี่ยนต่อจัปัจจัยภายนอกใต้เสมอถ้าเรายังไม่ได้ฝึกสภาวะจิตใจของเราให้เข้มแข็ง หรือพาวนาเพื่อปล่อยวางความเขาเรียกว่าลิดมั่นในเหตุของขันธ์ห้าทั้งหมดวเมื่ออะไรที่มันวามได้ทั้งหมดเราก็จะทุกอย่างจะไม่มีอิทธิพลต่อสภาวะจิตใจได้นะอันนี้เป็นเรื่องของความเข้าใจที่ผมเห็นตามสภาพที่ที่เกิดขึ้นนะในในธรรมชาติของโลกไปนี้นะ อย่างนั้นมันก็เลยมีความจําเป็นอย่างมากนะที่เราจะต้องหนึ่งคือเราจะต้องรู้ทันธรรมชาติหรือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นรู้ทันไม่อย่างงั้รู้ว่าโอเคมันเกิดไงแต่รู้ถึงรู้ทันถึงจิตใจตัวเองด้วยว่ามีความสั่นไหวหรือแปรอันตามปัจจัยภายนอกแค่ไหนให้รู้ทันและเมื่อรู้เมื่อไหร่ปุ๊บให้รู้ว่าเราถ้าเรายังไม่ปล่อยวางนะ กับสภาพรู้ที่เกิดขึ้นนะเราจะถูนิพนลของสิ่งเหล่านี้ให้ไปตามทิศทางตามตามกระแสของโลกกระแสของกรรไปดังนั้นก็จะเป็นเรื่องของการอธิบายนะในเรื่องขอ ง, ของว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้ศึกษาเพียงแค่เอาไปใช้ทางโลกเท่านั้นยังเป็นเรื่องของการเข้าใจตรงธรรมซึ่งถ้าเราเข้าใจ ทางธรรมเหล่านี้เราจะมีสภาวะที่รู้ว่าสติมันจะเกิดขึ้นนะเราใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนสติเราเสมอถ้าจิตใจสภาวะอะไระมีความวุ่นวายอยู่แสดงว่าเรายังมีความไปจิตไปยึดเกาะกับสภาวะเหล่านั้นนะมันก็จะไหลผูกตามสภาวะเหล่านั้นได้โดยง่ายก็เลยโอเคจะเป็นอ่า เป็นเลิกเลยเลยกระต่ในการบอกว่าเออเราควรจะมาปฏิบัติตรมภาวนากันแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็เตรียมพร้อมตั้งสภาวะชั้ล่างร่า ง, งกายด้วยนี่ครับก็พออ่าพอพ อ, พอมีความเข้าใจเหล่านี้แล้วก็ก็คงหวังว่าอ่าท่านฟูฟ้าทุกท่านเนี่ยจะได้นำสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะ ในพอในการสร้างกุศลนะทาบุญทำกุศลนะเพราะว่าศาสทั้งโลกเลยหลายอย่างมันทําได้สองทางนั้นเราจะคิดในเชิงอกุศลก็ได้เราจะเอาไปใช้ในเชิงกุศลก็ได้นะแน่นอ น, น, น, อ น, น, นถ้าใช้ในเชิงอกุศลมันก็จะทําให้โลกนี้พังและเสื่อมลงไปเรื่อยถ้าใช้ในเชิงกุศลมันก็เจริญขึ้นเรื่อยๆมื่อเจริญขึ้นเรื่อยจเจริญในเชิงของ จิต ใ, ใจตัวเองนะมันก็จะส่งผลให้กับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่มีความเจริญขึ้นด้วยดัยนั้นก็ฝากเอาไว้ในเชิวงพิดีไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับการปรจจายในครั้งนี้ครับาทางมีทางผู้ฟังมีคำถามอะไรมาบ้างก็แบบกดแร์ชัตตูนะครับ เรือร่องทางคุณเบสี่มีคำถามอะไรไหมครับมีเรื่องอท้องฟ้าสีลุ้งครับก็มีปัณหาปัญหการท้องฟ้าสีลุงนะครับคือท้องฟ้าสีลุ้งเนี่ยเต้องทราบว่าทำไมมันจึงเป็นลุ้งได้นะก็ลุง้งมันก็จะเป็นลักษณะของเหมือนกับเวลามีฝนหลังจากฝนตกขึ้นมาฟ้ามันใสหรือมันเปิดขึ้นมาอ่า มันมีไอ้น้ำในอากาศอยู่ระดับหนึ่งเหมาะสมทําให้เกิดสีลุล่มขึ้นมาแต่ก็จะมีหลายเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดสีลุ้มได้เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่เราขึ้นอยู่ว่าเราจะดูสีลุ้มไปทําอะไรอย่างน ท, ที่ผ่านมาที่ผมไปก็ว่าต้องจำได้ว่าอยู่ๆก็คือแดดเปเรี้ยงๆเนี่ยแล้วก็มีอยู่อยู่ฟ้ากาเป็นสีรุ้ม าก็บอกว่าวแสดงว่าพลังงานเข้าเข้าโลก้าไปก็มีเกจที่หนึ่งครับว่าสังเกตที่ตลอดมาเนี่ยพอเจอท้องฟ้าสีลุ่มไม่ใช่เมฆสีลุงนะครับคือท้องฟ้าเห็นมันแสงสีลุ่มเลยเนี่ยก็ปรากฏว่าภายในเวลา24ชั่วโมงเนี่ยมันเกิดพิษใหลญ่ใหญ่จริงๆนะครับใช่ก็เป็นปรกากฏการณ์หนึ่งที่เรียกว่าเปลามกเหตุของแผ่นดินไหวหรือเป็นเป็น อันนี้ก็ก็มีรายงานจากหลายๆพื้นที่ซึ่งของวาสีนุเนี่ยมันมีหลายเหตุด้วยกันส่วนหนึ่งมาจากข้างนอกอีกส่วนนึ่งมาจากข้างใต้โลกก็มีอันจะเป็นเรื่องของรังสีที่เข้ามาออกที่มาจากใต้โลกก็มีมีวิทยาศาสตร์เขาวิจัยไว้อย่างกรณีที่แผ่นดินไหวใหญ่ที่จีนที่คนตายเยอะจะมาเปินเมื่อตอนชหนก่อนครับก็มีว่า เจอทั้งเมฆไปดินไหวใช่ไหมฮะเป็นปุบปุยและมีเมฆทั้งท้องฟ้าครับเป็นสีลุ้งเลยทั้งท้องฟ้าเลยเนี่ยนั่นก็ชี้ชัดว่าเป็นไฟฟ้าจากใต้โลกขึ้นมามากกว่าใช่ไหมครับคือคือจากที่ได้อธิบายไปขึ้นอยู่ว่าอะไรเราจะเอาอะไรเป็นเหตุคือคือมันทุกอย่างมันประกอบร่วมกันจนมันหาเหตุหาที่มาที่ไปได้ยากแต่เรารู้ว่ามันเกิดถ้ามีสิ่งนี้เกิด นะถ้าเหตุปัจจัยมันรวมกันถึงพร้อมแล้วสิ่งนี้จึงเกิดก็จะสรุปเป็นแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าเราจะมองว่ามันมาจากข้างนอกก็ได้มันเหมาะแล้วคนจะมองจากข้างในก็ได้ถ้าเกิดเราไปยึดว่านอกว่านาคนมันจะทะเลาะ ก, กันมากกว่าว่าเออเฮ้ยฉันถูกหรือคนนี้ถูกแต่ลองมองว่าเหตุปัจจัยแบบนี้ถ้าเรารวมกับอีกแบบนี้แบบนี้แบบนี้แน่นอน จะมีเป็นอย่างนี้เกิดอย่างเช่นคผนดินไหวจะเกิดเราเห็นเน่คผนดินไหวเราเห็นท้องฟ้าสีนุ่งเราเห็นสระน้ําตายเกลื่อนลอยเกลืน่นพื้นขึ้นมาเราเห็นอะไรมันไอตัวอะไรที่มันเคยอยู่ใต้ดีนมันออกมาจากนุ่งรองพื้นดินใจไม่หมดเราเห็นปฏิกิริยาดวงทิตเราเห็นขึดับขยายตัวของตัวอิสัะพันทั้ง น, นี้เราก็อบอกแล้วว่าเราก็ฟันตงแล้ ว, ล ว, ล ว, อลวโอเคอย่างนี้เป็นดินไหวเราดู อ, อย่างนี้ดีกว่า วิวดูดาวเรียตัวเคช่วงนี้ช่วงนี้เป็นอย่างนี้ครับถ้าดูธรรมชาติตอนนี้เกิดปรากฏการณ์ที่ว่าที่นิวเซาแลนด s ออสเตรเลียนะครับมีว่าจากซีซีทีีนะครับว่ามีแมงมุมเหรอครับปกจัดท้องปลาเป็นละลางตัวพอปกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าแมงมุมนะครับมันไม่เป็นแค่ชักใหญ่เป็ น, เ ป, นเป็นแบบแผลมันเดิมมันกับเป็นมันเป็นงี้มันกับพ่นทําโคคู น, นะครับเป็นราง ข, งขาวๆเป็นท้องทุ้งหมดเลยนะครับ ครับอันนี้คิอว่าน่าจะเป็นรางบอกเหตุได้บ้างไหมครับเอามันก็เอาเป็นว่ามันดูความแปรปรวนของธรรมชาติมันก็มีความผิดเพี้ยนบดอเพราะว่าพลังงานมันเปลี่ยนแปลงการที่ใบมูมันตกต้องฟ้าได้มันต้องมีเหตุแล้วตอนแรกมันคงอยู่บนดินนี่แหละหรือที่ไหนสักแห่งมีลมอะไรบางอย่างพาวันขึ้นไปบนฟ้ามันก็ตกลงมาแต่ว่าก็ แน่นอนครับเมื่อมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นบนโลกแล้วมันมีบ้าเป็นพิเศษโดยเพพาะปีนี้มีมากกว่าปีที่แล้วเนียเราก็ต้องเฝ้าระวังปีนี้เป็นพิเศษเช่นเดียวกันครับโพชิตนะครับไม่ได้แปลโพชิตเนี่ยหมาได้งแปว่าถ้เกิดจริงไจริงครับโพชิตเนี่ย ถ้าเผื่ออธิบายเลที่สีความตั้มนั่นก็คือหมายความว่าการที่โลกนี้มันยังหมุนอยู่สนามแม่เหล็กมันก็ยังมีอยู่มครับมันมีการไหลของพลังงานใต้โลกยังมีอยู่เมื่อโลกหยุดหมุนมันก็ต้องมาจากข้างในที่หยุดหมุนมันก็ต้องหยุดหมุนทั้งหมดแต่การหยุดหมุนนี้ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเพราะว่าจากทฤษฎีนี้จะพวบว่าเมื่อไรโลกหมุนปุ๊มันจะแตกทันทีเลยแต่ถ้ามันยังหมุนอยู่มันก็ยังหมุนอยู่เมื่อเมันงันหมุนอยู่มันก็ยังมีสนามแม่เหล็กอ ย, ก ย, อ ย, ก ย, อยู่เพียงแต่ว่าสนามแม่เหล็กมันจะเปลี่ยนพื้นที่มากน้อยแค่ไหนเมื่อสนามแม่เหล็กเปลี่ยน คุอสมบัติทำไฟฟ้าในอากาศมันก็เปลี่ยนถูกไหมครับเพราะว่าแม่เหล็กเมืเปลี่ยนทิศทางปุ๊บสนามไฟฟ้ามันก็จะไปเข้มทางหนึ่งแคนเป็ด่นนทา ง, งสภาพอากาศมันก็จะเปลี่ยนมันก็จะแปรปวนวิ่งสนามแม่เหล็กแปลงโตมากเท่าไหร่สน ส, สภาพอากาศบนโลกก็จะแปรปวนมากเท่านั้นแต่ว่าโคชิฟคําว่าโคมันไม่มีสองอย่างนะโคนึงก็คือเป็นโคของการหมุนของโลกเลย อากมันหนึงคือโพของสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าเกิดจากการไหลของพลังงานภายในโลกนะซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเขาโพลุ่ของสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะแต่ว่าแล้วก็มันจะสัมพันธ์กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วยแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันจะทำให้เกิดฟิสิ i อลโพลุ่นสูงนไะ เพราะว่าการแกว่งมันอาจจะแกว่งจากที่หนึไปอีกที่หนึ่งอย่างเช่นสมมติถ้าเราดูสถิติของการหมุนของโตโคโลม ก, ก็จะเห็นว่ามันหมุนเป็นวงกลมเหมือนกันในระหว่างปีนะดังนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่มีปัญหาในเชิงของว่าทําให้โลกมันจะแตกมันยังไม่มีมันจะต้องดูไปเรื่อยๆนะจนเห็นแล้วว่า ความแปรปวนหรือการแปรตัวของสนามแม่เหล็กเนี่ยมันเกิดขึ้นมากจนเรียกว่าความถี่มันสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อความถี่มันสูงขึ้นเรื่อยๆมันถึงจะเริ่มมีปัญหาแต่ตอนนี้มันยังไม่มีปัญหาครับแล้วดังจากพี่นาทราบอกว่าตอนนี้ตำแหน่งตำแหน่งของสนามแม่เหล็กโลกนะครับที่คุณโลกเหนือเนี้ยเคลื่อนไปประมากับเกือบเกืบพันไมลนะครับอันนี้ก็มีมีส่วนมทำให ภูมิศาสตร์เนี่ยอยากตตามไหมครับเออแน่นอนถ้าข้างในเปลี่ยนข้างนอกก็จะเปลี่ยนถ้าข้างนอกเปลี่ยนชั้นบรรยากาศก็เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนร่วมกันหดจากนั้นมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอ่าที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ได้เกิดไปแล้วด้วยแหวเรื่องด้วยเพราะละเชน่นภัยธรรมชาติที่ที่มันมีมากขึ้นก็แน่นอนมันก็จะสัมพันธ์กับการเคลื่อนของพลังงานเกลือสนามได้เลยส่วนหนึ่ง แล้วตัวสนามแม่เหล็กเองนะครับจะมีการขยับเปลี่ยนขั้วใหม่แบบที่นักวิทยาศาสตร์บางคนเคยเคยไปกุดเจาะน้ำแข็งที่ขั้วโลกเนีืยขั้วใต้แล้วพบว่าสนามแม่เหล็กโลกนะครับขุ้วเหนขั้วใต้เนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งนมาหลายครั้งแล้วเนี่ยจะมีการเกิดในใ น, ในช่วงเวลาแถวๆนี้ไหมครับเอ่อก็อย่างที่บอกมันจะต้องมีความถี่ที่เปลี่ยนไปถ้าความถี่รับจับสัญญาณความถี่ของการแปลงของของ ส, องสนามแม่เหล็ก สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆแต่สูงขืงยมันใช่ไหการเปลี่ยน แ, นแนปลงได้แต่ถ้าเกิอความที่ยังไม่เปิดมันก็ยังไม่เปลี่ยนแล้วถ้าฟังต่อมีคาถามไหมครับผมแต่ผมช้าไปหน่อยนึงงดานีคําถามครับก็เรื่องของอ สนามไม้เหล็กเนี่ยให้มองคือคือการที่มันอะไรมันจะแตกได้สลายได้แล้วมันมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทีงใหญ่ๆแล้วมันจะมีการย้ําของพลังงานในเชิงความถี่เหมือนเราสมมติเราจะทําลายสะพานหนึ่งสะพานเราก็เดินส่วนสนามบนสะพานถูกไหมครับเราสวนสนามบนสะพานนี่คือเรา ย้ำพลังงานลงไปแล้วการเดินก็ต้องเดินที่ความถี่ที่มันตรงกับความสั่นไหวของโครงสร้างพื้นฐานของสะพานนั้นด้วยสะพานเมื่อมันก็จะแปงมากขึ้นแปงมากขึ้นแ ป, ง ม, นแแปงมากขึ้นเพราะแปรมากเรื่อเรื่อยมันก็จะเปลี่ยนมันพังคลายลมาได้ตัวที่เราไม่ใช่ไม่ได้เอาคอนวัตถุสะพานเหล่านั้นนะครับ มันคิดคิดว่าช่วงนี้ที่มีปัญหาที่ปานมาสามวันนี้ยพรอะว่ามันเกิดการระเบิดตรงที่ทีนี้เป็นนะครับที่ว่าทุกๆสาสามชั่วโมงเนี่ยเกิดระเบิดครั้งหนึ่งอาจจะระเบิดไมในในแรงเนี่ยแล้วก็มีฟิลเมาต์ออกมาด้วยที่ป่านมันจะมีผลกระทบมากมันมีเป็นช่วงๆมันมีมาแล้วมันก็ละไปคือคืเราต้องมองว่ามันไม่ได้เกิดตลอดเวลามันมีช่วงที่มันถี่บ้ากพิเศษ แล้วเสร็จแล้วมันก็หมดไปอย่างวันนี้จะมีปฏิยากเกิดขึ้นเท่ากับอีกเรื่องเดิงมีการประทุกเกิดขึ้นนะในวันที่ทสิบหนะ้าที่ผ่านมาครับเป็นวงกว้างและเรางคิดได้ก็แน่นอนก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงจุดที่เรียกว่าอันตรายมากแต่ก็ต้อง ค, อคือในในเชิงของ การเฝ้าระวังก็คืูเราคือความไม่ประมาทถูกไหมครับแล้วเมอันไม่ประมาทปุ๊บมันก็ทําอะไรเราไม่ได้อย่างในกรณีของในช่วงนี้มันเกิดเหตุใหญ่ไปแล้วนะอย่างเช่นเกิดแผนดินไหวเมื่อ ว, วันที่ 12, สิบสองที่ประเทศอินโ่นีเซจะให้มันเกิดอีกภายในเวลาสามและถ้าเกินเนี่ยถึงช่วงที่เกินเวลาสามสี่วันมันก็เกิดได้ยากขึ้นแหละ มันจะต้องรอโอกาสครั้งหน้านถึงจะเกิดได้ช่วงนี้มันก็จะเบาบางลงไประดับนี้มีคำถา ม, ถามสองคำถามนะครับคำ ถ, ถามแรกเรื่องแม่เหล็กโลกอ่อนตัวลงจากพลังงานที่เข้ามาอยากทราบว่าพลังงานที่มานั้นคืออะไรครับสองนะครับมีวิธีสร้าง ให้พลังงานสรามแบบโลกเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นบ้างไหมโอ้พลังงานอะไรบ้างนะคาตอบแรกก็คือพลังงานทุกอย่างอ่าถ้าถ้าผมจะมองก็คือเป็นเรื่องของพลังงานคลื่นถ้าถ้าจะอีกมุมมองหนึง่งก็มองเป็นพลังงานไฟฟ้าก็ได้คำวาพลังงานก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดการอ่าคงอยู่ได้ของ ของรูปอย่างเช่นเวลาเรากินอาหารพลังงานมันก็จะมาจากอ า, อาหารถูกไหมครับพลังงานมันก็แปรสภาพได้เป็นหลายรูปแบบเป็นความร้อนเป็นอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าพลังงานก็คือพลังงานพลังงานคือสิ่งที่เมื่อเราได้รับขึ้นมาแล้วมันจะมีแรงนั่นก็คือนิยามพลังงาน เก็พลังงานที่มาคือคือคือทุกอย่างเนี่ไม่ใช่คือมาจากตั้งดวงอาทิตย์ด้วยจากซูเปอร์มัวร์ด้วยแต่กระซิบอื่นด้วยใช่ไหมครับที่ถาตกมาตอนตุกวันนี้คือคือมันมันหมายได้หลายทางเหมือนกับเราได้พลังงานจากไหนเราเรากินอาหารเราก็ได้พลังงานเราหายใจก็ได้พลังงานแล้วเราได้พลังงานพร้อมร้อนจากดวงอาทิตย์ก็เป็นพลังงานอีกพลังงานจากรอบๆตัวมันมายได้หลายทางแล้วก็ นล้วแต่ก็คือแน่นอนสําหรับโลกเราก็จะมีพลังงานที่ไรัมาก็เป็นพลังงานของคอสมิกแรงสีคอสมิกนะครับพลังงานที่มาจากตัวอาทิตย์มีความร้อนเข้าหาได้พลังงานไฟฟ้าที่เข้ามาจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้ามายครนโลกก็เป็นพลังงานแบบหนึ่งหรือแม้แต่พลังงานคลื่นความสั่นไหวของความต่ำก็เป็นพลังงานที่อยู่ในธาตุ สุญยากาศเป็นอยู่อย่างนั้นสมติว่มัมีโอกาสที่จะทำให้พลังงานสลามแเล็กโลกนี้แข็งแรงขึ้นมาเท่าเดิมมีโอกาสทานได้ไหมครับยากครับหมายถึงมนุษย์จะทำใช่ไหมมนุษย์คงทำไม่ได้มนุษย์ทำไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่ถ้าจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจากภายในของโลกเราเลยถ้าจะทำข้างนอกนี่แน่นอน เราไม่สามารถควบคุมได้เหมือนกับเราไม่สามารถควบคุมจิตใจคนอื่นได้ไม่สามารถที่จะไปไปทำอะไรสิ่งที่อยู่ข้างนอกได้เราก็ต้องดูข้างในพอดูข้างในปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเหมเือนร่างกายเราเนี่ยเราคำาหมันแข็งแรงขึ้นได้ปล่าอย่บนีกว่ามั น, มนถ้าถ้าเรารับพลังงานจากข้างนอกร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเราพก่อนมากขึ้นเราไม่ใช้อะไรที่มัน ไม่ใช้ร่างกายไปทำไร้บรรทุหกหักโหมเกินไปมันก็แข็งแรงเรา อ, อกรากกำลงกายเสมอมันก็แข็งแรงถ้าเราอยากจะเปลี่ยนโรกให้มันแข็งแรงขึ้นเราก็ต้องท ำ, ำอย่างไงเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติรู้ธรรมชาติเราไม่ทําลายธรรมชาติเราฝุกจิตฝุก ส, สมาธิสภาพจิตใจนะให้เป็นสู่ฝั่งนี้รี่วัคุศลเราก็จะช่วยได้ ครับวันนี้ต้องครั บ, น, รบนี้เราก็แยกเพราะว่ารายงานของของนาซาเองปี1999บอกว่าตอนเนี้ยสนามมันหลุดโลอครับเมื่อตอนปี1999นะครับสนามมันหลุดเลอะเนี้ยออกลงไป 15% แล้ว<ช>แล้วก็รายงานล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วที่เป็นทางการเนี่ยบอกว่าเป็น 27% ม, มันมันมันอ่อนตัวไปเยอะพอสมควรเลยฮนะ<ช>แล้วนี่แสดงว่าเราก็ต้องเจอเจอปัญหาต่างๆมากขึ้นอยู่ไหมครับใช่ทางการไม่แ้ ง, งใครเลย ไม่มีทางมันเป็นมันเป็นวัฏจักรของโลกถ้าเผื่ใครได้ถ้าทุกท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับที่ศิวเจ้าสอนนั่นก็ปอดว่าโลกมันก็แบ่งยุคๆเหมือนกันมียุคที่มันสภาวะจิตใจของคนตกต่ํำลงไปเรื่อยๆเห็นแล้วก็สภาวะจิตใจที่เจริญสูงสุดช่วงที่สภาวะจิตใจคนต่ำสุดมันก็เป็นยุคของไฟลิบบั มันก็เป็นทุกอย่างมันข้าสมพันธ์เปนอย่างนั้นแม้แต่ขนาดของคนยังไม่เที่ยงเลยคนในยุคอดีตตัวใหญ่เหมผมว่าเกย้อนกับไปไกลเลยนะแล้วตอนนี้ตัวเล็กลงอายุก็สั้นลงนะตามนั้นมันเป็นวัฏจักรซึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นแต่มันเกลี้ยงถึงจุดที่เรียกว่าจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนก็คือสิ่งที่เรารู้แล้วว่าตอนนี้มันกําลัง กำลังลงต่ำสุดต่ำสุดมันก็คือต่ำสุดนะคือการเปลี่ยนมันก็จะมีแต่ดีอึ่นดีอึ่นเรื่อยแต่มานาจะต้องลงสุดต่ำสุดก่อนถึงจะเปลี่ยน <c oughs> มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่ง <c oughs> ซึ่งซึ่ีเป็น อ, อนัตาครับพี่ก้องว่ามันต้องลงลงสุดลงสู่ต่ำสุดก่อนแท น, น <c oughs> <c oughs> ว่าที่บัตภัยจงต้องเร็วไลฟ์แบบนี้ก่อ น, อนก่อนจะดีขึ้นยังไงครับใช่ครับ มันก็คือมันต้องต่ำสุดก่อนแล้วมันถึงจะสูงสุดแต่มันขึ้นอยู่กับการกระทำของเรานัปัจจุบันด้วยถ้าถ้าการกระทําปัจจุบันเราดีขึ้นเรื่อยๆมนุษย์มีความตระหนักถึงสภาแวะล้อมอะไรทุกอย่างดีขึ้นดีขึ้นถีงมันก็ไม่เกิดรุนแรงถ้าเมื่อไหร่มันคนเรามีแต่แย่ลงเรื่อยๆแย่ลงเรื่อยๆมันก็จะเกิดก็จะเร่งให้มันเกิดเร็วขึ้นอีกเพราะมันกําหนดในเชิงของอ่าสภาวะณปัจจุบัน เมือนกับชีวิตเราเราตัดสินใจทําอะไรบังอย่างถ้าเราทํำณวันนี้เป็นกุศลผลหน้าอนาคตมันก็เป็นกุศลมันก็เสริมกันถ้าเราไปทําอะไรที่ไม่ดีณปัจจุบันมันก็จะมีผลในอนาคตที่มันไม่ดีตามมาเหมือนกันอย่างก็คือขึ้นอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นว่าณปัจจุบันนี้โลกเป็นแบบนี้แล้วต่อไปถ้ายังทําอย่างนี้อยู่มันก็จะไปตามทิศทางนั้นแหละ แต่เมื่อไรถ้ายังถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรืยๆมันก็จะลดลงไปธรรมชาตมันก็จะลดลงและคือการที่เรารู้ทันมีสติแล้ว ร, รู้ทันธรรมชาติธรรชาติก็เหมือนกับเรามีสติยรู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นไห่ ใ, ใจไหวไมปในสิ่งที่ทําให้ก่ออาสมจิตใจเราก็จเจริญขึ้นถูกไหมครับร่างกายดูอะไรมันก็งูยิ้มยันตัดสายทำงู มันก็เหมือนกันถ้าเกิดเรารู้ทันภัยธรรมชาติมากเท่าไหร่ภัธรรมชาติมันก็ไม่เกิดดูแลด้วยถ้าเกคนในคนในโลกนี้เข้าใจและรู้ทันรู้ทุกเหตุปัจจัยต่างๆว่าทุกอย่างมันเป็นอนัตตาคือมันไม่ได้เกิดจากตัวตัวเขาเองมันเป็นเหตุปัจจัยหลายอย่างมีสติรู้ใส่สิ่งเหล่านี้มันก็อุบัติเหตุอะไรมันก็รู้ลมมันเหมือนกับขับรถรู้ในถ้าตัวเรามีสติยังไงมันไม่เกิดถึงอุัติเหตุ ถ้าเราขับรถเม า, เากินเหล้ า, มาเมาไม่ขับรถอุบัติเหตุก็เกิดภัยพิบัติก็เหมือนกันมันจะเป็นรูปแบบเดียวกันนี่น่สครับ ค, ครับเอาคอําถามแรกก่อนนะครับว่าอขอนงฝลั่งนะครับเป็นพิธีการแกั้นพลังงานที่มานรบกวนคือสมองเนี่ยเขาใช้กระดาษฟอยลใช่ไหมครับที่ที่ข อ, อาหาเนี่ยมามาทําหมวกบาคุมหัวเนี่ย มันช่วยป้องกันได้ไหมถ้าป้องกันได้เนี่ยเราต้องใช้กระดาษฟอยล์ทำกับบ้านทาหรือเปล่าครับ oh, อันนี้อัน น, น, นี้อันนี้ยังมีความเข้าใจเขาเรียกมันยังเป็นความเข้าใจขึ้นใบอยู่คือเรื่องของพลังงานที่เข้ามาเนี่ยมันมีสองแบบแบบหนึ่งเขาเรียกว่า transfer ใ c โครงแม่ติดเรวรถ้าพูดถึงเรื่องของไฟฟ้านะครับแบบที่สองนีกว่า longitudinal สเกลา่านี่ไม่สามารถป้องกันได้เลยใช้กระดาษฟอยล์เนี่ยแต่กระดาษฟอยล์ก็คือเหมือนกับโอเคกระจายพวกพลังงานไฟฟ้าต่งตางๆให้มันมีความสมบูรณ์กันมากขึ้นทั้งหัวแต่ว่ามันไม่ให้ต้นเหตุต้นเหตุอยู่ที่จิตใจเราเนี่ยจิตใจเราเนี่ยถ้าเผื่อไม่ต่อให้สวมหมวกสวมอะไรนะแต่คนเดินผ่านไปมามีแต่ความหุ น, นหมไม่พอใจอันนี้มันจะช่วยไม่ได้มันคนละเรื่องกัน เราจะต้องพัฒนาจิตใจของเรานะให้อยู่เหนืออิทธิพลต่อปัจจัยภายนอกหมายความว่าไม่ว่าสภาพอะไรเกิดขึ้นภายนอกจิตใจไม่หวั่นไหวไม่สามารถทำให้เราทุกข์ใจได้แมนะ้แต่อย่างเดียวอย่างนั้นถึงเรียกว่าทาถูกทางงั้นอย่างนี้แสดงแสดงว่า คือเราเป็นก้องเน้นว่าให้เราพยายามฝึกจิตสมาธิอำนาจจิตอำนาจสมาธิเนี่ยจะเป็นเกราะป้องกันได้ดีกว่าวัตถุใช่ไหมครับก็วัตถุก็ช่วยส่วนหนึ่งเหมือนกับที่เราต้องอาศัยเสื้อผ้าหุ้มห่อถูกไหมครับเพื่อป้องกันสภาพที่มันร้อนจัดหรือเย็นจัดแต่ว่าเราไม่ได้เอาจิตใจเราไปอยู่กับเครื่องหุ้มห่อร่างกายอย่างเดียวถูกไหมครับเราดูจิตใจเราเลยโดยตรงเลย คือทำต้งสองอย่างไป็นคพ่คอมกันแต่ทำอย่าให้สุดโตกไปทางใดทางหนึ่งแต่ทางจิตใจก็คือทาจนถึงจุดที่เรียกว่าไม่ว่าสิ่งใดในโลกนี้ในจักรวาลนี้ไม่สามารถส่งผลดีที่ผลต่อจิตใจเราทำให้เราสุกขใจได้แม้แต่ยอย่างเดียวนั่นคือสุดยอดของการสุด ครับ น, นี่แปลงว่าใช้แต่แปัญาคุณที่ว่าจิตคุมกายใช่ไนะครับคับนะ<อ>ก็ทุงอย่างอาศัยซึ่งกันแล้วกันร่างกายก็ต้องบำรุงรักษาไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นเดียวกันบางอย่างสมมติเชาเกิอเราใจเราหรือร่างกายเราเจ็บป่วยจากการที่มีเคื่อสนามไม่เหล็กรบกวมากเราก็ต้องตัดปัจจัยนั้นออกไปเช่นบางคนเนี่ย นิ้วใกล้โป๊กขึ้นสัญญาณมือถืออะไรเงี้รู้สึกไม่สบายอะไรเงี้เราก็ต้องพยายามติดติ้งตัวออกจากสิ่งเหล่านั้นด้วยพยายามไม่ได้เอาใจสู้อื่นเดียวอย่างนั้นก็ไม่ได้เหกันพราะว่ามันมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ที่ส่งผลกับร่างกายได้ครับก็ตอบว่าตอนนี้อากาศทั่วไปร้อนขึ้นขนาดอยู่ในห้องแอร์ก็ยังร้อนมีแต่รถเปิดแอร์ยังก็ยังร้อน แสดงว่าเราไม่มีทางป้องกันได้ใช่ไหมครอบร้อนมันมีสองส่วนมันร้อนจากข้างในเนี่ยกับร้อนร้อนคือฟิสิกอลร้อนคือร้อนเพอาอากาศร้อนจริงไอ้ร้อนจากข้างในเนี่ยมันต้องใช้การฝึกสมาธิก็คือถ้าเข้าสารได้ก็โอเคแล้วถ้าเข้าสานไม่ได้ก็ลำบากหน่อย ก็ต้องดูตามความเป็นจริงแล้วก็ยอมรับสภาพแต่ว่าก็คือมันก็าผม่าไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรใ้านนี้เท่าไหร่แต่เพียงแต่ว่ามันมันมีผลหมดแน้แต่ตัวผมเองก็ได้รับอิทธิพลจากจากปัจจัยภายนอกในเรื่องของกายภาพแสดงว่าพี่ตันมาก็มองแค่ว่า วัตถุต่างๆก็ไม่ไม่สามารถป้องกันได้ได้เท่าไหร่เลยด้วยเงินสิทเราอย่างเดียวใช่ไหมครับ็รือแต่ถ้าฟัน้นมันต้องฝึกจิตอย่างเดียวสมาธิอย่างเดียวเลยคือคือกายเนี่ยมันเป็นที่รับเป็นที่รับวิบากอยู่แล้วธาตุขันมันมันรับวิบากอยู่แล้วมันมันมีหน้าที่รับแต่ว่ามันก็มีวิธีที่เรียกว่าให้มันพลังงานกระจายไปอื่ได้พระอาจารย์รัตท่านศึกษาเรื่องเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของพลังงาน นะท่านก็ปฏิผูตรอุปรกรณ์ต่างๆนในการช่วยเหลือไม่ให้พลังงานเหล่านี้มันมาทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์ในในร่างกายมา ก, กเกินไปหรือผู้งานยๆปรับสมดุญให้มันให้มันอยู่ได้อย่างสบายโดยที่ไม่ไ ม, ไม่เจ็บใครได้ป่วยนะซึ่งซึ่งถ้าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจก็ ลองศึกษานะมสิ่งที่พระอาจารย์ท่านประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมานะแล้วก็วิธีการที่ท่านใช้นในการช่วยเหลือในเรื่องเรื่องแบบนี้ซึ่งซึ่งแน่นอนเมื่อเมื่อช่วยร่างกายได้ก็มีผลต้านจิตใจด้วยเช่นเดียวกันนะนี่เป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งท่านได้คิดค้นขึ้นมาช่วยชาวโลกแต่ว่าชาวโลกจะเข้าใจในสิ่งที่ท่าน คีดคนนี้มีป่าอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์แล้วก็แต่ละคนก็มีความอ่าเซนซิทีฟคือมีความแปรปรวนกับสิ่งเหล่านี้แตกต่างกันไปไม่เหมือนกันอันอันนี้ก็ต้องออดเสร็จเพราะว่าก้าภาษามันก่อนผมเจอปัญหาเรื่องไฟฟ้าที่บ้านสต่ไฟต้าเยอะมากเลยคุยกก็ก็ปกปิดเรืบอกว่า อย่าลืมของที่พระจัลัดเป็นาเนอะผมก็จะคว้าเหรียญที่เคยถูกขโมยไปแต่เอาเหรียญนั้อยาห้อยคอแทนกับมีรอมิดมันทั้นิ้วนอนแทนประมาณสักประมาณ15บานาทีมีคนมาได้ก็ทุดอย่างมันคลี่คลายไปเยอะโดยเฉพาร่างกายที่ร้อนก็หายไปงั้นอันนี้นะครับก็เป็นใจนะครับเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆนะครับลองไปดูที่สวนมุนันนัตธรรมที่แม่ริมนะครับพระจัลัดเปิดใกล้ๆดูก็ได้ครับอันนี้ได้ผลนะครับได้ผล ไม่ใชการท้านะครับเพื่อช่วยเหลือคนนะครับได้เป็จริงเลยครับก็อันนี้เป็นเครื่องช่วยเรียวเครื่องมือนะเครื่องมือทางกายภาพช่วยได้ระดับหนึ่งสุดท้ายอยู่ีนใจด้วยหลองเราก็จับทั่งคู่ประกอบกันไปยุ้ยจะต้องศึกษาวาระนี่ก้องกล้องพอจะอธิบายหลักการไหมนะครับหลักการที่ ที่เหรียญเรียญเอ่อเ ห, อรรหรียญทองพลังแต่ว่าเาป็นคำพิษผลปัจจาระษัทเนี่ยทำไมทําให้อ่าไฟฟ้าในร่ า, รางกายเราหรธาตเราดีขึ้นมาได้ครับเพื่ที่ได้หลักการอะไรบอสท้าบไหมครับผมก็อธิบายตามความเข้าใจที่ผมเข้าใจก็คือเรื่องของแรงเหวี่ยงการหมุนนี่แรงเหวี่ยงการหมุนให้บางอย่างมันก็จะหลุดไปได้คือลักษณะของจิตเนี่ยมันมีลักษณะของความยึดบั้น คือ ม, มีแรงดึงดูดมันดูอะไรเข้ามาเข้ามาหาธาตุขันได้เสมอแล้วก็ในขนาดเดียวกันนี้คือถ้าพวกยังไม่ยังไม่สามารถที่จะความสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันก็ยังมีสภาวะที่เรียกว่าดูพลังงานข้นมาที่เรียกว่ายังมีความไม่สมดุลพลังงานเกิดขึ้นไอ้พวกผมเชื่อว่านะ เหนล่านี้หรือพลังหรือสิ่งที่ท่านประดิษฐ์ขึ้นมาก็คือมีหน้าที่ในการปรับสมดุลคื อ, มมอทำให้พลังงานที่เข้ามาถ้ามันมากเกินไปมันก็ไหลผ่านไปเลยหรือเวลาที่มันขาดไปมันก็จะเข้ามามากขึ้นพิเศษแล้วก็มันจะไม่คลายความการเรียกว่าการยึดติดของกระแสจิต แต่ว่าผมก็ไม่ทราบร้อยเปเซ็นผู้คนก็ต้องลองฝึกดูแล้วก็อลองอสังเกตดูนะครับมีโอกาสครับเอขอเสริมนิดนึงนะครับสําหรับปิรามิดของพระเจ้าลัทธ์นะครับผมผมเคยมีโอกาสได้ได้ได้ ไ, ดไปกราบท่านนะครับแล้วก็ได้ปิรามิดมาจํานวนหนึ่งนะครับก็เอามาลองฝึกอใน การภาวนานะครับความรู้สึกที่ได้เราเราไม่รู้เทคนิคต่างๆหรอกครับแต่เรารู้สึกว่ามันนิ่งขึ้นมันเหมือนกับว่ามั น, ม, น ม, มันมีอะไรคุมเราอยู่ให้เรานิ่งอะไรเข้าเข้าเข้าหาตัวเราไม่ได้เลยแล้วมันก็จะรู้สึกภาวนาได้นิ่งมากครับความรู้สึกนะค ร, รับมันช่วยด้านสมาธิที่ที่ผมศึกษาดูสมาธิจะช่วยได้มากจอจะมีเข้าเข้าเข้าสมาธิได้เร็วขึ้น แต่ว่าสมาธิเดียวก็ยังไม่พอต้องภาวนาครับดีกน้อยแล้วมีแต่แต่ละวิธีก็มีแหละหลายแบบซึ่งผมก็ต้องถามผู้รู้หรือถามพระอาจารย์ท่านท่านท่านก็มีวิธีที่เรีว่ามีประสิทธิภาพที่ท่านกิพน์แต่ทางพระกรรมฐานสายหมื่นก็มีวิธีของแต่ละท่านเหมือนกันตอนนี้ก็ร้องแจก ก็ไิที่ไหนใช้ได้ผลแล้วแต่คนนะแล้วแต่ท่านที่ที่ที่ฝึกเพราะว่ากรรมฐ า, านอย่างเดียวก็มีนั้นสี่สิบกองดังนั้นแล้วแต่กายสะดวกแบบไหนถ้านัดแบบไหนก็ใช้ท่านั้นแ ต, แต่สิ่งเอนนี้มันขึ้นอยูช่วยได้แช่วงนี้ก้มก็มีจะจะฝัด เลีที่น้อว่จาเรียน่อนมงานไหครับว่าตอนเนี้ยน่าจะเตรียมตัวเตรียมหร่างกาจิตใจเนี่ยรับธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าสนามในโลกอ่อนตัวลงเรื่อยๆใทยธรรมชาติจะเพิเ่มขึ้นมาหมักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมีอะไรที่ต้องปฏิบัติเป็นพิเศษตรงนี้ไหมครับก็ก็ ค, คือหนึ่งอย่าอย่างแรกเลยก็คือเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติธรรมดาเราดูมันเหมือนกับเราดูมันยังห่าง เราไม่ได้ไปอินจนแบบเรียกว่าวิตกกงังวลหรือว่าจะต้องทำให้นูน่นต้องทําให้นี่เพื่อเราจะต้องห น, นีไปนู่นไปนี่มันมันเป็นเรื่องของสภาวะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อเราแต่เราต้องเตรียมตัวนะครับถ้ามันถึงเวลาอย่างเช่นงน้าท่วมุงเทพมาแล้วจะอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เหมือนกัน คือมันจะต้องมีการเตรียมตัวแล้วต้องมีการตัดสินใจเมื่อมีวิกฤตอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ต้องมีการตัดสินใจทําหลายอย่างด้วยนะในเรื่องของการเตรียมตัวมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะผู้ที่ผู้ที่ฝึก ด, ด้านนี้มาแล้วฝึกสมาธิวาสนามามากแล้วนี่ก็เรียกได้ว่าพระท่านคุ้มครองอยู่แล้วนะอ่า ในเรื่องของกายภาพอย่างเช่นสมมุติถ้าท่านจะไปไหนอะไรยังไงอย่างเช่นสมมุติถ้าอยู่กรุงเทพหรืออยู่ที่ไหนสักแห่งที่แบบน้ําท่วมบ่อยๆท่านก็ต้องรู้ทางหนีที่ไร่ว่าเออถ้าโดนดีเกิดเกิดขึ้นมาจะต้องออกเป็นทางไหนดีนะนี่คนที่ไม่ ห, หาอหัดแล้วก็ไม่ไปทําให้เกิดความรุ่งเรืองรุ่งเรืเองสับสนให้กับสังคมหรือควรจะมี ข้าวสารอาหารแห้งนะชูที่ช่วยบรรเทาวความหิวได้ช่วงพาวมีช่วงที่ไปปิบัติมีแล้วหาสื้อของไห้ลำบากนะแต่ก็เตรียมในระดับที่ว่าพอดีนะับดีพอดีความว่าไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเท่าที่เราเห็นว่าเออหมาะสมกับกับกับ สถานะที่เราเป็นอย่างเช่นสมมติผมมีมอยู่บ้านเช่าหลังเล็กหลังเล็กนี่นะบ้านเช่าหลังเล็กผมจะนั่งขนของมาตุนจะไม่มีที่ทําอะไรก็ไม่ได้ถูกไหมเราก็าดูโอเคเ้องมีน้ํามีน้ํามีอาหารบ้างเก็บไว้บ้างเรารู้วาทางไหนที่ไร่ถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นถ้าเรามีบ้านอยู่แล้วเราก็เน้นการเน้นเศรษฐกิจพอเพียง นะจะมีพียเพียงก็คือเราปลูกต้นไม้รอบบ้านต้นไม้ลักษณะที่เราสามารถเอามาเก็บเป็นผลอะไรมากินได้นะฮะอางนี้เป็นต้นคือพูดง่ายคือทําให้มันเรียกว่าอนเนกประสงค์คือการใช้งานหลายอย่างอนเนกประสงค์ถ้าใช้อย่างนึ่งไม่ได้ก็ามาใช้อย่างหน่งได้เนะี่ยหรือว่าจะไม่พุ่งลงไปอย่างเดียวจนไม่เผื่ออีกแบบหนึง่ง นี่เรียกว่าเชิญกายภาพคือเรามีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ร่าสกายแบพบื้นที่ของผู้ที่อาศัยอยู่แั้วมีความเชิ่มต่อกันินดีอยูเกิดสุดนึงนี้อย่างเช่นทางภาคใต้ก็ไม่ต้องไปกลัวนะว่ามันจะเป็นอะไรยังไงูเรื่องเดียวว่าถ้ามีเหตุถ้ามีการแจ้งเตกินภัยแล้วเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงใครแล้วเคยมีปัญหามาแล้วเขานี้มาอาจจะมีมาอีก เราก็รู้โอเคเราควรจะเดินทางไปตรงไหนจุดไหนเพื่อเพื่อทีเอ่เราสามารถปลอดภัยจากภัยธรรมชาติถ้าจะเกิดขึ้นอย่างเช่นถ้ามีสึนามิเกิดขึ้นเราต้องขึ้นที่สูงเราก็รู้ว่าเส้นทางเรากวรจะขึ้นที่สูงไปทางไหนและเส้นทางาไหนจะจะสามารถที่จะถึงที่นั่นได้เร็วแล้วก็ไม่สร้างความแออัดหรือไปเสียดเสียดใคยกันคนอจะแยกกันอะไรอย่างเงี้ยต่อก็ เราก็รู้ว่าเคเราไปเส้นทางนี้นะเรามีของนี้ต่อว้าไปเลยแล้วไปโดยแล้วก็ที่สําคัญก็คือการฝึกจิตใจนะให้อยู่ในสภาพที่เรียกว่าอ่าสมร t ก็คือื อ, อ, อการใช้ชีวิตอ ย, อยเรียบง่ายการเรยง่ายหมายควาว่าเรากินข้าวแล้วกินเพื่ออยู่รอดเราไม่ได้กินเพื่ออ่ารสชาติอาหารนการกิน ก็กินอ่ไม่จงเป็นต้องกินสามูือก็ได้กินมือเดียวก็ได้สองมือก็ได้อย่างนี้เป็นต้นสุขล่างกายของเราให้ให้อีในสภาพดีๆไม่ต้องไม่ต้องมีความต้องการอะไรมากมายนะง่ายแค่ตับใจสี่ก็เปลี่ยนพอแล้วหรือก็คเกเราทำอะไร่มันสุดป่องเงินไปหรือบางคนเนี้ยโอเค เขาก็มีปัจจัยมากมายมีเงินมากมายเขาสามารถสร้างบ้านอะไร้ขึ้นมาแน่นอนอย่างสมมติ ข, ของเนี่ยที่อเมริกาอยนะ่างเงี้ยคนที่อเมริกาอยนะ่างเงี้ยไปสร้างไซโลหลบภัยขนาดใหญ่นะคว่าข้างในก็มีแต่ของหรูหาฟูฟ้าถามว่ามันจะอยู่ได้ไนานแค่ไหนถ้ามันไม่มีไฟฟ้าอะไรใช้ไอที่สร้างขึ้นมามันก็พหมดคราวนี้กังหมดแล้วทํายังไงล่ะปัจจัยมีความติดในเรื่องของ สิ่งที่เียกวเพื่เกลินทางโลกอยู่อะ่ะมันก็ต้องดิ้นบนจิตใจมันก็ทุกขอีกสุดท้ายเราก็มานั่งดูจิตใจเราเองไม่ดีหรอว่าสิ่งเหล่านี้มันจําเป็นแค่ไหนเกิดชีวิตอะไรบางอย่างนี้ไม่จำเป็นเราก็ตัดทิ้งไปเราปล่อยวางสิ่งนั้นได้ก็จะเป็นการดีที่สุดง่ายคือการฝึกปฏิบัติธรรมเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดในการรับรู้ต่อความพิบัต การเปลีลยนตัวหนังไฟภาพก็เปียนตัวในจังหวัดทุกแบบที่เรียกว่าพอเพียงแค่นั้นเองแตว่าพอเพียงก็ใช้ได้แล้วครับมาอากคำถา ม, ถา ม, ถามานะครับค า, ถ า, ถ, า, ถ, าถามแรกว่าทุกคนก็กล่าวว่าน้ำจะท่วมโลกขึ้นมาประมาณสองเมตรทั้งแต ป, ปจาชาทั้ง UN เอทั้งดรเซรีได้น้ำจะท่วมขึ้นมาสองเมตรจริงไหมถ้าน้าท่วมจริงแล้ว รู้อยู่สมุทรปการคนภูเก็ตเขาบอกถามว่าจะทําอย่างไรก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้คำว่าน้ําท่วมสองเมตรเนี่ยมันท่วมวันเดียวภายในสองเมตรหรือเปล่าถ้ามันแยกเป็นสองส่วนคือสัตว์พัน์กับค่อยเป็นค่อยไปถ้าบอกว่าท่วมสองเมตรแต่ใช้เวลาปีละปีละประมาณหนึ่งเซนติเมตรถามว่ากว่าจะท่วมหนึ่งสองเมตรเขาคงปรับตัวกันเรียบร้อยแล้ว ไม่เห็นมีปัญหาเลยเลยก็บอกว่าปี่องห้าหกสามป้องนะก็ไม่กี่ปีนะฮะหกสามก็คือกี่ปีอ่ะห้าแปด5้าเก้าหกคือห้าปีครับห้าปีสองเมตรอาหารท่าสองเมตรก็ท่วมปีละหน50ยห้าสิบเซนครับห้าสิบเซนประมาณสี่สิบเซนบัตสดุปประมาณนี้เอานี้แค่บรรยายานอย่างนี้3้าแค่สามสิบสี่สิบเนก็ลองดูสิว่ามันจริงหรือเปล่า ทำไรอย่าเพิ่งไปเชื่อคือโอเคถ้าสัปปีนี้มันยังขึ้นไปถึงสี่สิบเซนโอเคก็เงออินก็าอาจจะยังไม่ค่อยจริงเท่าไหร่แต่ถ้าเงินมันถึงสี่สิบเซนเฮ้ยเราก็เริ่มคิดไปแล้วเอ๊ะควรจะทำอะไรดีสี่สิบเซนนี่ถึงด้าบ้านเราหรือยันนะถ้ามันถึงจริงจโอเค ย, ย, ย, ย้ยายก็ย้ายให้เป็นไรก็ย้ายก็ย้าย <c oughs> ไม่มีปัญถูกไหมครับแต่ถ้าเงนมันยังไม่ถึง มันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้มันเป็นแค่การประเมินการคาดการซึ่งมันก็มีผิดได้ ม, มองอยางนี้สิคือเรามองหรือว่าอย่าไปมองว่ามันต้องเกิดมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เรามองว่าเราอยู่ได้ทุกสถานการณ์ถ้ามันมีปัญหาเราก็เปลี่ยนเราก็ย้ายถ้าไม่มีเราก็โอเคเราก็ทำไปแต่เราบอกว่าเฮ้ ยังไงเราก็ต้องฝึกจิตใจเราสเสมอเตียมพอเสมอต้องทำอย่างนี้มากกว่าผมมบอกนี้นะนะครับแล้วก็มีว่ารัสมิตกล่าวว่าประเทศไทยมีโอกาสเกิดสมิธอนิมิตใหญ่ขั้งที่สองมากจะแรงกว่าเดิมแต่หลายคนก็ว่าเป็นข่าวลือไม่เป็นจริงสรุปแล้วมันจะจริงหรือไม่จริงคะมันเป็นจริงนะว่ามันเกิด แต่ก่อนที่ตอนนี้มันไม่เกิดเนี่ยก็อย่าประมาทแล้วกันแค่นั้นแหละเพราะว่า่สิ่งที่ท่าก็สมิตร์เตือ น, ตนมามันก็เคยเกิดแล้วถูกไหมครับก่อนเกิดต้องวิจารกันใหญ่โตสุดท้ายมันก็เกิดจริงแต่กว่าจะเกิดระหว่างตั้งแต่ช่วงที่ท่านเตือนถึงช่วงที่เกิดกี่ปีก็ว่าไปช่วงนั้นทําอะไร ถ้าเตือนแล้วยังเฉยเมยไม่ทําอะไรไ ม, ไม่เตรียมตัวไม่เตรียมอะไรพอมันเิดขึ้นมาก็ทานบอกฉันเตือนคุณแล้วคุณไม่ฟังเองก็มีถูกไหมหรือโอเคไม่เฉลิมเฉยเฉยแล้วก็พอมีเหตุการณ์อะไรผลกระทบเกิดขึ้นก็โทษรัฐบาลหรือโทษสนุนโทษคนนี้นะปีสุดก็คือโทษตัวเอง ที่ไม่ได้ฟังคำเตือนจากผู้ที่มีความหวังดีแล้วก็อย่าไปตีความว่าเอ้ยเขาทําอะไรเกินจริงอะไรอย่างนี้มันก็เป็นไปการนั้นก็อมองอย่างที่มันเป็นสิ่งที่เห็นก็เป็นสิ่งที่เป็นอย่างนั้นที่เราไม่ได้ไปตัดสินว่าเขาเป็นยังไงดีไม่ดียังไงเขาเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นก็แค่นั้นเอง เขามีความหว <แก S 1> ั ง, งดีเขามองมีงความหวังดีจิตจใจเป็นกุศลไว้ต่อเป็นําไรอยู่แล้วจิตเป็นอักุศลมีอย่างเดียวคือลงกระบายตายเปลงกระบายมีแคนั้นเองทีนี้จัดประสบการณ์ก้อนนี้ที่ผ่านมาและการคุกคีผ่านมาเนี่ยนั้นโอกาสที่จะเกิดตามที่ทุกทีพูดมาและเราไม่พูดไม่พูดว่ามา ม, มามามาไรนะครับโอกาสที่เกิดดิแนแลนนะฮะจนดินแลงใหญ่กว่าปีถี่เจ็ดเนี่ยมีความไปได้นั่นครับ ก็เอางี้ว่ากันห้าปันปีที่แล้วน้ำจโท่วโลกได้เลยมันก็มีโอกาสได้แต่ถามว่ า, าจะเกิดวันนี้เวลานี้ภายในปีนี้อันนี้คือการไปตัดสินมันลงไปคือมันคือเราเอาอะไรมาตัดสินเราเอาตัวเองมาตัดสินเสิคือเราต้องดูว่าโอเคมันเกิดได้มันมีดาโน้มเป็นอย่างนี้เราต้องเตรียนการเรามองแค่นี้ เราเตรียมความพร้อมไว้ถ้ามันไม่เกิดมันเป็นไรถ้ามันเกิดโอเคเรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราเตรียมการแต่เราเตรียมจนแบบเรียกว่าเกินเกินเกิน ค, ค, ความเป็นจริงหรือเกินทางสายกลางคือมันสุดโต่งไปแน่นอนมันก็มีผลอีกเหมือนกันผลก็คื อ, อหนึ่งถ้าพวาเรา เ่าจะทำอะไรเกินตัวเราไปพูดดียกสิทธไม่ทําอะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วมันไม่เกิดขึ้นมาทํำยังไงล่ะคราวนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันหรือถ้าเผื่อเราไม่ทําอะไรเลยก็อยู่ไปวันวันภาวนาก็ไม่ทํา อ, อทําอะไรก็ไม่ทําปฏิบัติธรามไม่ทำํำพอมันเกิดขึ้นมาคราวนี้จิตใจมันรับสภาพแบบกัแบบสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงได้ยากดังนั้นถ้าถ้า ถ, ถ้าทุกท่าได้ได้ฟังสิ่งที่ าอาจารย์ท่านหลายลอย่างบอกให้ปฏิบัติทำให้ภาวนานะเพราะว่าช่วงที่ไพบัดมันเกิดขึ้นแล้วคนมันจะเป็นบ้ากันเพราะว่าการที่คนมันเป็นบ้าเพราะว่าคนไม่ได้ฝึกที่จะยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ น, นในใภาพหรือแม้แต่จิตใจที่ปีนิพลที่ถูกอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมนั่นคือเราต้องฝึกตัวเองคนระับให้ให้ถึงจุดจุดนั้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราสบาย จิต ใ, ใจเราสบายกายเป็นไรช่างมันจิต ใ, ใจเราไม่เป็นอะไรท่านพุทธคุณจะจะสรุดคือว่าแปลว่าโอกาสที่จะเกิดธรนี้นใหญ่แรงกว่ า, วาปีที่เจิดนั้นมีความเป็นไปได้ที่ว่าแน่นอนแต่ว่าไม่ไหลยังไม่ทราบถูกต้องไหมครับมันจะแน่นอนอยู่แล้ว ก, ก็เห็นผมบอกห้าพันปีแล้วนับหนึ่งขึ้นไปเยแต่สมมติว่าจะเกิดภายในปีนี้ หรือจะเกิดภายในสองปีข้างหน้ามันยังบอกได้ยากแต่ว่าให้ดูเหตุปัจจัยที่ผมพูดไปเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาดวงอาทิตย์ดาวเรืองตัวหรือแม้แต่สภาพจิตใจของมนุษย์โลกสภาพความขัดแย้งบนโลกเป็นสิ่งบอกเหตุได้ว่าสิ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึน้นเพื่ออะไร่นไครับ อ, อาจจะอาจจะอาจจะเกิดสึนามิใหญ่ที่ต้องการทิ่พูดก็ได้ภายในห้าปีนี้หรือ หรือร0ปีหน้าก็ได้แต่มันสำคัญอะไรสำคัญอยู่ที่จิตใจเราที่เราไม่ไม่กระเพื่อมสั่นไหวกับข่าวต่างๆแค่นั้นเองนี่คือคาแนะนำที่ผมจะแนะนำให้ครับครับคือจิตใจต้องต้องมันโงกัแตัวจิตใจนะครับในปาน่านนี้ก็ ไหวไหนสิบครั้งมากเลยกับยี่สิบครั้งแล้วเ๋ยวขอทีนะ่น่นักวิชาการก็บอกว่าไม่มีผลจะทบกับประเทศไทยเลยแล้วทำไมมีดินโปง่งดินยุกมีหลุมลุดน้ำที่น้ำไหลาขายไปเลยนะครับขึ้นมาเนี่ยตกลงเนี่ยเราเชื่อได้ไหมครับว่ามันไม่มีผลต่อประเทศไทยจริงๆก็พรมี้เจ้าสอนว่าทุงอย่าง เกิขึ้นนันมีเหตุปัจจัยหลากหลายมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งหมดจะบอกว่าไอ้นี้ไม่มีผลต่อไอ้นี้มันก็เอาอะไรมาตัดสินมันก็ก็คือความเข้าใจถ้ายังไม่ครบถ้วนมันก็ตอบผิดได้นะคือแต่ว่าเราดูว่านี่เป็นรางบอกเหตแต่ว่าไม่ได้ความว่ามันจะเกิดเกิดใหญ่ที่เนปาลแล้วเกิดใหญ่เมืองไทยนี้ไม่จําเป็น ถถ้ามันเกิดใหญ่ที่เนปาลนล้ามันอาจจะกัะชิ่นไปกระทบับญี่ปุ่นก็ได้หรือชิ่งไปกระทบกับทางอเมริกาใต้ก็ได้มันไม่มาถ่ายก็ได้เม้าใจไหมครันี่คือความหมายคือคมันสัมพันธ์เชื่อโมโยงกันจริงแต่ถามว่าเฮ้ยเหตุการณ์ใหญ่ที่เนปาลมันจะต้องมีสูนี่ขนาดใหญ่ี่ประเทศไทยตามมาอันนี้มันเป็นเรื่องของเรื่องราวที่ ค น, นเงินสูงเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าถามว่าต้องระวังไว้มันต้องระวังเพราะว่ามันมีลาบอกเขตมาแล้วเนี่ยว่าเออไว้ยโลกมันเปลี่ยนแปลงก็ต้องระวังแค่นั้นเองหุ้นปัจจัยหลักๆประเด็นหลักๆคือหนึโลคมีการเปลี่ยนแปลงจริงโลกมีภัยพิบัติมากขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงเออจริงต้องระวังแน่นอนร้อปร์เ็นตต้องระวังมีความไม่ประมาทเสมอ แล้วก็มีการเตรียมพร้อมเสมอสพร้อมทางร่างสภาพร่างกายใใจิตใจต้องมีความเตรียมพร้อมเสมอนี่คือสรุปง่ายๆในเชนิานี้ถามว่าจะเกิดเมื่อไรและจะเกิดวุนแรงที่ประเทศไทยหรือเปล่ามันมันจะมีตัวนดิเคเตอร์อย่างนี้มากขึ้นเรยมากขึ้นเ้วยแล้วเราจะเตรียมตัวได้ มันทําให้เราเตรียมตัวพร้อมขึ้นพร้อมขึ้นพร้อมขึ้นเรื่อยๆพอถึงจุดนัด้นปุ๊บเราพร้อมร้อเปอร์เ็มันจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นคําถามเก่านะครับคุณเกิดคำถามอีกข้อหาว่าเราจะไม่ดได้ถามคอว่าจะถ้าเกิดภาวะสนามมาจากโลกเปลี่ยนแปลงนะครับจะมีผลกระทบจากโลกเป็นปีผลกระทบกับโลกมากจริงใช่ไหมครับก็ใช่ครับ ก็มีผลครับอ๋อถ้าเรากระดุกได้ภัยธรรมชาติมันจะขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยเรื่อเราต้องเตรียมตัวรับมันปรับตัวอยู่มัน ไ, ได้ก็ง่ายนะครับได้ง่ายอะไรเงี้ยง่ายง่ายๆและเทื่สำคัญก็คือเนี่ยอย่างที่บอกต้องทุกคนต้องอยู่ด้วยด้วยความสบายใจสบายใจสบายใจทํำให้สบายใจอ่าหนึ่งก็คือถ้ารับข่าวสารมากครับ เกิดความวิตกกังวลมากก็ต้องหยุดรัข่าวสารในสภาวะนี้นะแล้วก็เราก็ดูสภาพตามความเป็นจริงว่เนี่ยอะไรอะไรกันแง่ที่ทำให้เราทุกข์ถ้าการข่าวสารมันก็เป็นให้ข่าวสารแต่เราไปตีฟวามทำให้เราต้องทุกข์ใจเองหรือเปล่าอีนี้เราก็ต้องมานั่งดูอย่างนี้หรือข่าวสารมีมีไว้แต่เราไปม อ, มองมองเรียกว่าอะไรงแง่ลกูก เห็นอะไรก็ไม่ดีเป็นหมดอย่างนี้ก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจได้แต่เถ้าเรามองว่าโอเคเขาเตือนด้วยความหวังดีเขาช่วยให้เราโอเคได้รับรู้ข่าสารต่งตางๆเราก็ขอบคุณเขาที่เขาช่วยช่วยช่วยทำแล้วก็เราก็เตรียมพร้อมตัวเองตามความเหมาะสมอย่างนี้แต่ถ้ามีกุมคนถ้าเขาอยากจะปั่นกระแสอะไรบางอย่าง มันเกิดพุ้นให้มันเกิดให้มันเกิดมันก็อีกเหมือนกันเราก็ดูด้วยความเ้าเรียกว่าดูด้วยความดูด้วยความเป็นกางด้วยใจที่เป็นกางก็เห็นว่าโอเคมันมีความกังวลว่าเออมันอาจจะมีผลเราก็ดูไว้ด้วยความประมัดระว่าใส่ชีวิตด้วยความระมัดระวังก็จบจบแค่นั้นมันก็จะทุกอย่างมันก็จะเป็นความสบายใจของทุกฝ่าที่ ไม่มีปัญหาอะไรกับกันแล้วก็ทำงานลุกขันได้สสบายใจทําอะไรก็ไม่มีปัญหาเะยใ่ไหมครับอาจารย์ยว่าเมื่อสัปดรห์นี้สถานที่ดักเกิร์ตวิปัญญาก็มีนักวิชาการออกข่าวว่าแผ่นดินไหวไม่สามารถคาดการได้สรุปว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเราสามารถคาดการได้หรือไม่ได้ครก็ คาดการได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะตนผมบอกแค่นี้ผู้ที่บอกว่าคาดการไม่ได้เขาหมายความว่าเขาคาดการไม่ได้ก็จบแค่นั้นแต่ถ้าเกิดมีคนบางคนคาดการได้ขึ้นมาก็เป็นความสามารถเฉพาะตนของคนนั้นอีกเหมือนกันนะดังนั้นแต่ในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าถ้าจะพูดว่านักวิชาการคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ย นักวิทยาศาสตร์จะว่าด้วยความเป็นไปได้นะความเป็นไปได้อย่างเช่นสมัยก่อนเราไม่สามารถที่จะส่งจรวดไปบ น, นดาวคานได้สมงไปบนวงจันได้ถ้าเรามานั่งพูดหรือหน้างเปล่าอากาศว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ส่งใจรวดวปดาวคานหรือส่งไปดวงจันได้มนคนคนนั้นก็ไม่ใช่นักวิชาการหรือไม่ได้ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็แค่นั้นเองถ้าเราเป็นถ้าเราถือว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ เราก็จะพูดถึงเรื่องของความเป็นไปได้อย่างเช่นเราจะเราจะเราจะส่งจรวดไปบนดวงจันทร์เราจะทําอย่างไงก็หมายความว่าคนคนนั้นต้องเชื่อว่าเป็นไปได้ก่อนถูกไหมครับถ้าคนนั้นเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้มันก็จบตรงแค่นั้นเลยงั้นเราก็จะไม่เห็นการพัฒนาการของวิยาศาสตร์ที่กำลังอาในยุคปัจจุบันได้โอเคนั้นเองงั้นเราก็ต้องนั่งดูว่า สิ่งใดควรเชื่อสิ่งใดไม่ควรเชื่อผู้ที่พูดมีความเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องเหล่านั้นจริงหรือเปล่าหรือเราท่องตำรากันมาต่อเพราะว่าสมัยก่อนนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนที่เชื่อว่าโลกแผนก็ท่องตำรากันมาต่อทั้งสิ้นนะงั้นถือ เ, เรา เข้าใจว่าตําราเรียนที่เราเขียนขึ้นมาหรือที่ที่รัฐการนักปิศาสตร์ในระรย่างอื่นเขีนั้นเขาเขียนขึ้นมาเพื่อตอบคําถามเฉพาะเจาะจงในแง่มุมบางส่วนเท่านั้นนะแต่ว่าจะเอาความการอธิบายหรือทฤษฎีเหล่านั้นมาตอบคาถามเรื่องอื่นมันเป็นไปนไม่ได้หนึ่งเอร์เซนสมมุติฐานที่ต่างกันย่อมส่งผลให้คำตอบ ออกมาจากสมมติฐานนั้นแตกตา่างกันออกไปอันนี้ก็จะเป็นอ่าข้อสรุปง่ายๆแล้วกันนั้นมีคําถามนี้กันไครับเพราะว่าอยจะถามว่าถามแล้วไม่จบไปติดไปวัน น, นี้เดี๋ยวไม่ได้นนมาพอดี <c oughs> ถามว่ า, า, าแผ่นดินไหวครั้งสุดท้ายที่มีปา น, านะครับที่ว่าไหว7ป่าที่ผ่านมา12เนี่ยนช่ไหมครับ เออไปเขาบอว่าอาจารย์โพสต์ล่วงหน้าว่าจะมีเนื่องจากว่ามีการสั่งยกนักนักปีนเขาบนโดมโคพเตอร์ไปรับก็แต่วันที่เก้ามาแสดงว่าเขาเรู้ล่วงหน้าตั้งนั้นปฏิบัติครั้งสิบสองเนี่ยเกิดโดยธรรมชาติไม่เกิดโดยฮาร์ปครัก็ทําไมไม่ดูเฟซบุ๊กผมบ้างอ่ะเฟซบุ๊กผมก็พูดไว้นี่ว่าเนี่ยผมพูดไว้วันที่เก้า แล้วผมก็พูดว่าเนี่ยมีปฏิกยาดวงทิตสูงแล้วก็ถ้าคำนวณพลังงานแล้วมันจะมาถึงจะมีพลังงานตกกระทบที่โลกวันที่12เวลาประมาณ6นาฬิกาณามาดส ถ, ถานกรีนิชแต่นินว้วไหวเกิดเวลา7นาฬิกามาดส ถ, ถานกรีนิชณวันที่อย่างนี้เป็นต้นถามว่าคาดการณ์ได้หรือเปล่า คำตอบมันอยู่ตองนั้นอยู่แล้วคือคือถ้าเผื่อเรารู้เหตุปัจจัยเรารู้เรารู้ช่วงไหนเราควรจะดูเหตุมากเป็นพิเศษเราก็คาดการได้ก็เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์นาซาเขาคาดการณ์ว่าเราจะต้องส่งจรวดขึ้นไปบนดาวคารนแล้วไปลงจุดนี้ในเวลาประมาณนี้ถูกไหมครับเพราะก่อนที่จะทำอย่างนั้นได้ต้องทำอย่างไงเขาต้องคานวณเป็นปี คือคาดการ์หนึ่งครั้งถูกไหมครับครับแค่คาดการณ์แค่ครั้งเดียวแต่ต้องใช้ความเข้าใจที่สะสมํานับเป็นปีแล้วก็คํานวณออกมาเพื่อให้คาดการ์หนึ่งครั้งถูกต้องหนึ่งครั้งเพราะถูกต้องครั้งหนึ่งถามว่าหลังจากนั้นแล้วมันเป็นไงช่างมันเพราะมันไม่ได้คาดการแล้วก็คือเมืม่อจิตค น, นมีสมาธิและมีความสน ใ, ใจบงพื้นหรือทํางานด้านใดมันจะเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอน ถ้าท่านเชื่อว่าทําได้มันก็ทําได้แต่ถ้าเข้าใจผิดไปเรยียบร้อยแล้วมันก็ผิดหมดเลยเพราะว่าถ้าถ้าเข้าใจว่าการเรียนวิทยาศาสตร์คือเอาสถิติเอาหนึ่งมาเทียบกัปอีกอย่างหนึ่งแล้วถ้าเกิดสองอย่างไม่จําเป็นแปลว่าทั้งหมดไม่ไ ม, ไม่มีความสัมพันธ์อันนั้นมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ตเพราะฉะนี้วิทยาศาสตร์คือคือเรื่องของการคํานวณ การศึกษาหาข้อสัมพันธ์หาเหตุปัจจัยที่ทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมาไดา้การจะส่งจรวดขึ้นไปบนดาวคานได้ต้องใช้อะไรบ้างก็ต้องใาศคนวิพัฒนาจรวดต้องอาศัยการคานวณเรื่องของแรงที่ส่งอมไป น, นองโกส่งไปยัดาวต่างๆไปลงจุดนูน จ, จุดนี้จุดนั้นแล้วก็คํานวณกันมาแล้วก็มีการตรวจสอบตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าเขาส่งแล้วก็กทิ้งไปเลยแล้วถึงเวาลามันก็เบาวานถึงนั้นไม่ใช่เขาก็มานั่งดูแล้วดูโอเคมั น, นม เ, บ, เบี้ยฟังไทเทรตมาคุกตรับให้มันตรงแล้วพอถึงว่าปุ๊บมันก็ถึงถึงตรันพอดีอันนี้เขาเรียก ว, วิทยาศาสตร์ถไหมครับครับแต่เราเลื่อพูเ่เฉยเฉยว่าไอนี่เป็นไปได้ไอนี้เป็นไม่ ไ, ไ, ได้มันไม่มีเหตุมีผลอะไรที่รองรับเลยมันไม่เรียก ว, วิถีวิยาศาสตร์แค่นั้นเอง แล้วจะเป็ันธงว่าคือนั้นสิบสองคือแบบธรรมชาติแน่นอนไม่ใช่ฮาร์ทที่คนสร้างขึ้นนะครับคือคือจะไปฟันธงอะไรมีรูปแบบที่เรียกว่าเฮ้ยไอ้นี่แน่นอนมันมีแต่ความไม่แน่นอนเขาไม่แน่นอนหมายความว่าเหตุปัจจัยมันมีหลากหลายเราไปฟันธงว่าไอ้นี่เป็นแบบนี้เท่านั้นไอ้เวลาแบบนี้เท่านั้นมันไม่ใช่ทั้งคู่แต่มันมีหลายเหตุปัจจัยส่วนท้ารเนี่ยมันเกิดได้หลายอย่างบางคนคิดว่า ถ้าเป็นนักวิยาศาสตร์ทั่วไปก็จะโอเคแล้วจะศึกษาไอโอโนสเฟียเรามลองส่ง ข, ข, ขึ้นไปนี่เลยหน่อยดูการสะท้อนกลับมวาว่ามันมีผลเป็นยังไงก็ง่ายทุกนย่งแบบส่งขึ้นไปดูเช็คๆตัวเฉยๆแต่ไม่ได้ไปทำอะไรให้มันกระตุ้นให้มันเกิดอะไรขึ้น้ามีแต่มันมีการตีารามเกิดขึ้นตีฟามหนึ่งคือตีฟามนี่เรียกว่าายาม เชื่อว่าสิ่งนี้เป็นเหตุสิ่งนี้เป็นผลอะไรประมาณนี้มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมามากมายแต่อย่างที่บอกที่สำคัญที่สุสดก็คือเราดูเมื่อเห็นว่าสิ่งที่เป็นธรรมดาแล้วก็สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันไม่ส่งผลอะไรกับสภาพจิตใจเราถ้าเราทําได้อย่างนั้นนั่นก็คือสุดยอดแล้ว แต่มันจอครับเป็สัญงานสัญ ญ, ญาที่ดเรเขาพูดไปสัญงานชัดตลอดไม่มีผิดขาดถูกไหมครับครับผมเจ้าห่อโอเคก็ถ้าครับได้ได้ยินชัดตลอดครับได้ยินชัดตลอดครับอาจะมีจะมีคคะจะมีแบบอดีเลย์นิดหน่อยนิดเดียวครับไม่มากเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าจับ ด, ด้วย ออกอากาศด้วย 3G นะครับส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์อีกทีหนึ่งนะครับแต่คงไม่มีปัญหาอะไรครับก็มีทั้งบ้านมีคำถามอะไรไหมครับก็เป็นคําถามเดิมๆนะครับว่าตรงนั้นปลอดภัยไหมตรงนี้ปลอดภัยไหมก็คือว่าเหมือนกับว่าเขายังปรับจิตตัวเองไม่ได้นะครับอ๋อไม่เราต้องพูดอย่างงี้คาว่าปลอดภัยเนี่ย ความปลอดภัยจากอะไรเนี่ยถ้าปลอดภัยจากภัยวิบัติตอนเนี้นับปัจจุบันนี้ท่านท่านหงยเฉยก็ก็ปลอดภัยจากภัยวิบัติแล้วเนี่ยแต่แต่ปลอดภัยจากอันตรายในสังสารวัตหรือเปล่าแน่นอนยังไม่พ้น กูมีแค่นี้กับมันมีแก็กูมูรับกล้องกับสองชั่โมงแต่เดี๋ยวทำไ ม, ไม่ได้ต่อก็ขอบคุณทุกท่านทุกนะครับที่มาให้ฟวามรูเรานะครับแล้วก็พกกบกับทุกท่านก็อีกคลาสเนึองก็วันเสาร์หน้านะครับวันวันเสาร์หน้าต้องมีอะไรจะมาเพิ่มเติมแต่ใส่ไปใหม่ไหมครับหรือจะมีอะไรที่อประ ก, กอบที่จะไปบรรยายที่เตรียนตืนา น, นะคะรับก็ก็เราพูดคุยกันธรรมดาดีกว่าเพราะว่าหลักๆเราก็ได้อ่าใจพูดไปเยอะแล้ว นะแล้วก็ก็จะให้ทุกนู่้ฟังทางบ้านอะไรเงี้ยเพเพราะถ้าเผื่อสนใจเรื่องทฤษฎีเหล่านี้อา่าได้ลองไปศึกษาปฏิบัติดูนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถา ม, มเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝึกชาดการอะไรต่างๆก็อา่าก็ต้องปันทุกท่านงนาช่วยส่งคำถามมาด้วยแล้วกันทางสถานียิบอุทางอ่านลงคุณเปียชีพก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะช่วยตอบให้ งั้นถ้าตัมป้ตเนี่ยเป็นเสาหน้าเนี่ยน่จะให้แบบได้ต้องสอนวิธีการคาดการณ์แบบใครทุกตัวเองโดยการดูข้อมูลจากเว็บไซต์ของนาซาหรือของอะไรก็ได้ครับเี่ขึ้นมาแบบง่ายนะครับคนที่เขียนภาษาอังกฤษสมาดูได้ด้วยเงี้ยพอได้ไหมครับได้ครับได้ครับไม่มีปัญหานะครับงั้นเดี๋ยวเสาหน้านะครับเสาหน้ามาเจอกันนะครับ ดรก็พบจะสอนนะครับพิธีการคาดการปฏิบัติภัยโดยใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จากดวงอาทิตย์แต่ดาวดวงตัวนะครับที่เป็นข้อมูลสาธารณะที่นาซาทํ า, าทมาให้เรดูกันแบบง่ายๆแบบภาษาชาบ้านดังนั้นวันนี้ก็ขอการข้อมูลเพิ่มเติมากนะครับที่แต่ละเวลาให้เราเกือบ2ชั่วโมง น, นะครับจากอเมริกาแต่ก็จะมีแรักกบคุณคุณต่อนะครับที่ usaha ให้เวลาของทางสถานีถ่ายทอดนะครับเพราะว่าเสียงนะครับ ทุกที่บอกว่าชัดเจนหมดเลยครับองสีชัดเจนเลยแต่ตัวที่ถ่ายทอทางทางไลฟ์สตรีมเนี่ยยังมีปัญหามีสัทธัดอยู่ก็คงมีวัตสัญญาณนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอทุกท่านนะครับอประสบความสําเร็จในชีวิตนะคแล้วก็แก้ค่าต่อภัยพิบัติอันตรายทั้งปวงเลครับครับผมครับุาผมรับสวัสดีครับ